อาจารย์ครับกล่าวอมาตการครับผมจาเลิศพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัญญะธรรมครั้งที่138นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ขอโอกาสครับเมื่อเช้าบินธบาตมีผู้คนไปใส่บาทเยอะไหมครับอาจารย์ครับสี่ร้อยห้าสิบเกินนะอเดี๋ยวนี้เกินสี่รอยกือตลอดเลยใช่ไหมอาจารย์ครับเมื่อเสาร์ที่จะมากหน่อยแต่เมื่อวันนี้สามร้อยกว่าไม่ถึงสี่ร้อยเกืบ ครับอาจารย์ครับทุครับอาจารย์ครับวันนี้หลังจากที่วางแนวทางไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับวันนี้จะขอโอกาสพระอาจารย์พูดถึงตัวปัญหาบ้างครับว่าปัญหาที่ว่าเราเกิดเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้ก็เพราะอวิชชาตันหาอุปทานนะครับจึงขอความเมตตาพอาจารย์อธิบายความหมายแล้วก็วิธีละเขาด้วยครับพระอาจารย์ครับขอบคุความเมตตาครับเอออวิชชาก็คือการไม่มีความรู้วิชาแปลว่าความรู้ วิชาก็คือการไม่มีความรู้เหมือนคนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการศึกษาก็ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมถ้าไม่ศึกษาแพทย์นี่ก็จะไม่รู้เรื่องแพทย์เรื่องร่างกายว่าเป็นยังไงเจ็บไข้เรื่องป่วยทําอะไรมาอันนี้ก็เหมือนกันคนที่ไม่ได้ศึกษาความจริงของของโลกแห่งของตายภพเนี่ยตายภพกรรมภพอนุภพอรูปภ พ, ปพเนี่ย พทั้งสานี้เป็นพบที่ไม่ได้ให้ความสุขแก่ผู้ที่ไปอยู่อย่างถาวรมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวการมาสุขก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวรูปปัจจานนรูปปัจจานก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นอนิจจงแล้วก็เป็นอนัตตาไปสั่งไปให้สั่งให้มันให้ความสุขอย่างถาวรก็ไม่ได้ เพมันต้องมีการเจริญและเสริมไปตามทำตามกฎของมันแล้วพอพอเราไม่รู้เราก็ไปดมคิดว่าความสุขอยู่ที่ในตายภพนี้อยู่ในคนที่ชอบเสพกลางก็บังเกิดในกลางมาพบอย่างพวกเรานี้พวกเสพกลางมันเกิดก็มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพวกที่เขาชอบเสพรูปประชานเขาก็มา เขาก็มาเสพรูปประชานพวกที่ชอบเสบารูปประชานเขาก็จะมาเสพารูปประชานแต่สิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขแบบไม่ยั่งยืนได้แล้วก็หมดไปพอหมดมันก็ทําให้เกิดความอยากที่จะเสบเพิ่มมาอีกมันก็กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดในใตพวกนี้เลยเลยพราเมาืม่อเมื่อเมื่อไม่รู้แล้วก็จะไปหาสิ่งที่ที่เราเป็นความสุข ไากรมคุณห้าไปหารูปชาญารูปชาญามาเสกพอเสกแล้วมันก็เมื่อกีถามว่าไม่มีตัณหาอยื่ประทานใช่ไหมพอได้มาแล้วก็ยึดติดอย่างนี้อย่างนี้มันอยู่ของเราไปนานๆห้ากรรมสุดกับเราไปนานๆแล้วพอมันไม่พอมันหมดไปมันก็ทําให้เราอยากได้ใหม่ขึ้นมาอีกตัณหาความอยากมันเกิดขึ้นใหม่ มันก็พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเาจะเลิกเสพความสุขยของตายพบไม่เสพกามไม่เสพรูปประชาไม่เสพมารูปประชาการที่จะเลิกตัดการอยากเสพสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องมีจิตที่สงบที่สามารถยืนบนนกำแค่งกำขาของตัวเองได้ก็คือจิตต้องไม่อยู่เบขาอยู่ที่เฉยๆได้ ไม่มีความอนิจจธรจิตให้สงบเป็นสมาธิจิตมันจะนิ่งสงบไม่มีไม่มีความ่ว้กดหนองไม่มีความอย่ากอยัางต่างเราต้องพยายามสร้างระดับจิตของเราที่ตอนนี้มันอ่อนแอมันอยู่โดยปัสฌา ก, การไม่ได้อยู่ปัสะจากรูปประชานเรื่องรู้ประชานไม่ได้มันก็ต้องคอยเสพสิ่งเหล่านี้เยรื่อย เ, อยเสพแล้วก็ติด ต้อมเสพกรรมมาเป็นว่ายตายเกิดเยอะเลยเราต้องสร้างพลังของจิตให้ฝืนความอยากให้ได้ให้ชั่ความอยากเวลาอยากจะเสพการมก็ทําใจเฉยๆแล้วก็สอนใจในปัญญาว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นของเชื่อคราวมันเป็นตายรับถ้าเรามีสองอย่างนี้มันก็ทําให้เราฝืนความอยากต่างๆได้หมดพราะฝืนแล้วความอยากที่เคยมีอยู่มันก็จะหมดกําลังไป มก็จิตก็จะปัาจากความอยากจิตปสาศจากความอยากจิตก็จะสงบเป็นความสุขที่เกิดจากความความสงบที่ที่ปราศจากความอยากไม่อย่ันจะเป็นความสุขที่ถาวรเพราะเมื่อเมื่อไม่มีความอยากมาเกิดในใจมันก็ไม่มีอะไรจะมาทําลายความสงบอันนี้ได้สิ่งนี้มาทําลายความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบก็คือความอยาก อย่างตอนนี้คุณหมอจิตสบายสบาย่า ย, ยเ่าลองเกิดความอยากขึ้นมาเลยอยู่ไม่ได้นะต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาถ้ามันยังหาไม่ได้มันก็จะอยากอยู่ยนั่นทำให้เราหดเหงื่นําคานใจอะไรต่างๆ่งางจนกว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้มามันก็จะสงบตัวชั่วคราวแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราได้มามันก็หมดมิดให้ความสุขเราชั่วคราว เอาหนวดมันก็ทำอาจารย์เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ต้องหาอะไรมาให้ความสุขก่อนอีกก็คิดถึงสิ่งที่เคยเสพคนที่เคยสูบบุหรี่ก็สูบเมื mm ่อไหรสูบบุหรี่ปับ๊บใจก็สบายไปพักหนึ mm ่ง hmm. เดี๋ยวพอฤทิ์ของยาสูบที่ให้ความสุขมันหม ด, ดไปความอยากใหม่ก็เกิดขึ้นใหม่อีกต้องสูบอีก ม่ว่าจะเป็นอะไรอันนี้ยกตัวอย่างบุหรี่แต่ทุกอย่างกาแฟซุรายามายาเสพติดแม้แต่ยาแก้ปวดมันก็เป็นสิ่งเสพติดได้ในรูปเสียงกิ่นรถต่างๆละครภาพยนตร์ดูตอนที่เราอยากจะดูตอนต่อไปไหมดูซีรีส์พอหมดเรื่อนนี้ก็อยาหาเรื่องใหม่มาดูต่ออยไม่เบนื่อ ถ้าไม่ไดูก็รู้สึกเหงาร้สึกว่ามนันอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่มีความสุขเนดังนั้นต้องมาสร้างความสุขภายในะที่เกิดจากความสงบก่อนในการฝึกสมาธิมนันต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือให้เรามีความสุขจากความสงบเพราะที่เราจะได้มีกําลังที่จะฝืนสู้ความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกิริย์รอดได้พอรอลัก ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรดได้แล้วเราก็ต้องบรละความอยากเสพสมาธิเพราะสมาธิมันเป็นเครื่องปืนให้เราให้เราหยุดความอยากเสพกางได้พอหยุดเสพกางได้แล้วเ ร, เราก็มาติดสมาธิแล้วก็ต้องเลือกสมาธิเราก็จะเลิกได้เพราะเรามีอยู่ในขาเพราะใจเรามีสมาธิมีความนิ่งเฉยอยู่สามารถอยู่ใเฉยได้เราไม่รู้สึกหนารู้ว่าวเวย แล้วพะมีปัญญามาสอนว่าแม้แต่สมาธิก็เป็นความสุขชั่วคราวเหมือนกันจะทำให้เราทุกเวลามันเสื่อมเวลามันหมดเราก็เลยเลือกเลือกเสพสมาธิไม่ว่าจะเป็นรูปฌปานหรือวรูปฌปานเรเลิกเสพหมดทุกอย่างแล้วใจเราก็สงบไม่มีอะไรมาทำาให้ใจไม่สงบอีกต่อไปสงบแบบสุขแบบอิ่มแบบสบายอันนี้เกิดจากการมีวิชา ที่พระพุทธเจาได้ทรงตัดสรุสควรพวิชาก็คือเห็นใจรักในในใจพบในสิ่งทในสิ่งในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจยอยากได้นะง่ายๆแลจะอยากได้อะไรมันเป็นใจรักมันเป็นคาวามสุขชั่วคราวนาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็เป็นคาวามสุขชื่วคราวเวลาอยากมันก็ต้องดิน้นอยู่อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องดิ้นหาสิ่งที่อยากได้ พอได้มาก็สงบตัวลงความอยากก็สงบตัวลงเชื่อมรงมีความสุขสบายเดี๋ยวสภาพมันก็หมดหลวก็ต้องหาใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องมาแก้วิชาด้วยการสอนใจตามที่พระเจ้าทรงทรงเห็นจากการศึกษาวิเคราะห์ว่าทุกสิ่งทุกอยความสุขในโลกนี้ไม่ดีเพรายังไงมีแต่ความทุกข์ ไม่มีความสุขในใจพบไม่ว่าจะเป็นการมาสุขไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสิอมันไม่เป็นความสุขเพราะมันจะต้องจบลงด้วยความทุกข์เพราะมันมีวันสิ้นสุดลงเหมนงานเลียงเย้ายมีวันสิ้นสุดใช่ใชต้องสอนให้เห็นตายรักทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในการมาพบในรูปรพบในรูปรพบนี่ล้วนเป็นของไม่เทียง ถ้าความสุขย่อยชั่วคราวอาจารย์ครับแล้วความสุขความสงบที่เกิดจากสมาธิกับความสุขสงบที่เกิดจากปัญญานี้มันจะมีลุกลักษณะต่างกันต่างกันเพราะว่าความสุขที่เกิดจากสมาธิมันเหมือนกับเราเอาเอาเห็นไปกดความอยากไว้การใช้สติพุโทโธพุโทโธหยุดคิดพอหยุดคิดมันก็อยากไม่ได้ แต่พอเราจากสมาธิมาพอเลื่อนปลไปมันคิดเดี๋ยวว่าความอยากก็ดันขึ้นมาใหม่ได้แต่ความสงบความอยากที่หมดไปด้วยปัญญาก็คือเห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นยาพิษอย่างเงี้ยคนที่เลิกยาคนที่ไม่เสพ ย, ยาเสพติดเพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันเป็นพิษเ ป, เป็นภายต่อจิตใจกับร่างกายคนที่เสพก็คือคนที่มองไม่เห็นภัยอันนี้ไม่มีปัญญา คนที่เห็นว่าอการไปเสพยาเสพติดเนี่มันจะทําให้ติดติดแล้วก็จะทําให้ทุกข์เวลาไม่ไเสพก็จะทรมานถ้าเสพมากๆก็จะทําให้ร่างกายตายได้ก็เลยไม่กล้าเสพกันได้เห็นด้วยปัญญาแต่ถ้าใช้ใช้เวลาอยากเสพยาเสพติดแล้วก็ใช้สมาธิพุโทโธพุโทโธไว้มันก็อยู่ได้เป็นภาพภาพไป ออกจากสมาธิมาพอคิดถึงยาเสพติดขึ้นมาก็อยากขึ้นมาอีกแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นยาพิษมันเป็นอันตรายสมมติว่าถ้าคุณหมอาคยใช้เคยดือบเครื่องเดือบใช่ไห ม, ม, มสมมตินนะครับแล้วก็มีความสุขอากเครื่องเดือบมันเดิอบทุกวันสมนมติว่ากาแฟก็แบที่เป็นเสพติดยอดนิยมแต่ก็จอยวันมีคนดีมีนักวิจัยมาวิจัยว่าการเดื่บกาแฟทําให้เกิดน่องมะเร็งนี่ยหมอจะก้านเดือบต่อไห ไม่ไดีนะครับอพอเห็นไม่ปัญญาฮะความอยากดื่มกาแฟก็หายไปทันทีความอยากดื่มกาแฟเกิดจากความความไม่ไม่มีความรู้ความจริงว่ามันเป็นไตารักว่ามันเป็นทุกข์งั้นการใช้ปัญญามันมันดับอย่างท้าวอนพ อ, อเห็นโทษแล้วมันก็ไม่กล้าไปไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นอีกต่อไป ไม่ต้อาใช้สมาธิไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สติหยุดความคิดคิดถึงมันทีไรมันก็มีปัญญามายันอย่างว่ามันไม่ดีมันเป็นไทยมันเป็นทุกข์เห็นต้องพยายามมองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพื่อเพื่อว่ามันเป็นของชั่วขา่าวความสุขชั่วขา่าวพอมันหดแล้วมัน ก, น ก, ทก็ทําให้เราเศร้าใช่ไหม ท่านครับพระอรหันต์ก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมครับท่านก็เลยใช่เห็นเห็นเป็นใต้ลักหมดตลอดเห็อะไรก็เห็นอะไรก็เป็นทุกหมดเพราะเรว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีวันอย่างที่พระเจ้าโสตานสิ่งใดมีการเกิดขึ้นก็มีการดับไปเป็นธรรมดาเแต่พระโสดาบันก็เริ่มเห็นแล้วแต่เพียงแต่เห็นส่วนของขันห้าท่านั้นเห็นร่างกายเห็นเวทนาว่ามัน มีกิดลันก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาถ้าหวังไปหาความสุขจากร่างกายหาความสุขจากเวทนาก็จะต้องเจอกับความทุกข์เพราะมันต้องเปลี่ยนไปต้องดับไปอาารครับแต่บางทีก็เห็นอย่างนี้แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีควา ม, มอยาก ไ, ไม่มีกําลังเลไม่มีอุเบกขาเลยเราต้องฝึกจิตฝึกสมาธิทําใจให้มีอุเบกขาก่อน ตันต้นตอนที่เราจะเริกการมได้เราต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือพอเราเลิกการมได้แล้วเราก็ต้องเลือกสมาธิต่อซึ่งถ้าเราเลิกการมได้เราก็เลือกสมาธิได้เหมือนกันเพราะมันก็ใช้หลักหลักการนันเดียวกันใช้อุเบกขาใช้ปัญญาเห็นโทษของสมาธิเหมือนกับเห็นโทษของกรรมว่ามันมันเป็นของไม่เทียมมันก็จะหยุดได้ อขอประคุณครับไปกันครับขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างครับอันนี้เหมือนอาจารย์จะตอบไปแล้วครับแต่เพิ่อมีมุมหมออื่นครับคุณดําบอกว่าเราจะทําอย่างไรให้อยู่กับทุกเออนี่ยังครับจะทำอย่างไรให้อยู่กับทุกโดยไม่ทุกครับก็อย่าไปอยากให้ทุกมันหายไปเลยมันมีทุกสองชนิดไงทุกที่เกิดจากขันคือเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เราไปสัมผัสเร็วเช่นเสียงคนก็ด่าเราอย่างนี้มันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาโดยความไม่ แล้วก็อยู่กับมันไปเดี๋ยเฉยๆไปอย่าไปอยากให้มันหายเพราะบางทีมันไม่หายอ่ะอย่าไปอยากให้เขาไม่ไม่ด่าเราเพราะถ้าเขาดา่าเราแล้วเขาก็ชอบด่าเราอยู่เรื่ <c oughs> อยๆถ้ไปอยากให้เขาไม่ด่าเราก็จะเราก็จะทุกข์ซ้ำชั้นสองขึ้นมาทุกที่เกิดจากความอยากทุกที่เกิดจากความอยากนี่เราดับได้เราหยุดได้แต่ทุกที่เกิดจากขันนี่เราห้ามไม่ได้มันเป็นไตรละ มันมีเหตุมีปัจจัยทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีเหตุปัจจัยทำให้มันดับไปเองคนที่เขาด่าเราเดี๋ยวเขาปากเมื่อยปากขี้เขาก็หยุดด่าเองคนปล่อยก็ด่าไปถ้าเราไม่ตอบโต้ก็มันก็เดี๋ยวเขาก็หยุดเองถ้าเราไปตอบโต้มันก็เหมือนเขาไปไปเหมือนตีปิดฟองอ่ะเขาตีมาแล้วตีกลับไปตีกลับไปเขากตีกลับมาเองเขาตีมาเราอย่ายตีกลับไปมเมื่อ ไ, ไม่มีรูปปิดฟอง remotely. เขาตีเขาก็หยุดตีเอง ชัดเ <มา S 2> จนใ่าเราต้องยอมไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ยอมหยุดเย็ยนไงยอมค่ะยอมยอมรับยอมอยู่กับความทุกข์ที่ที่เกิดขึ้นที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้เพื่อเราจะได้มาหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราได้พอหยุดความอยากได้ใจเราก็เย็ยนสบายไม่เดือดร้อนกับไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ทางทั้งที่ได้ยินจากการเ้าด่าเราเอนี้เป็นต้น จากภูไม่ประสงค์ออกนามครับนั่งเก้าอี้บริการพุทโธก็เหมือนกับเดินจงกรมบริการพุทโธไหมครับเหมือนกันนะนยแต่ไม่เรียบร้อยมันต่างกันเรานั่งแทนที่จเดินนั่นเองที่เราพยายามที่จะขอให้บิดเพราะว่าร่างกายร่างกายมันอยู่ได้เรียบร้เดี๋ยวเดียเด๋ยวมันก็จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมา ที่เราต้องการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะท่านั่งอย่างเดียวเห็นเวลาลอากาศเรนั่งนานๆแล้วมันเจ็บมันเมื่อย <c oughs> พอมันมันมีอาการเจ็บปวดทางร่างกายลรวก็ต้องเปลี่ยนทิศยาบทจากนั่งก็มาเดินจากเดินบางทีก็มายืนหรือบางทีจากยืนก็มานอนเราก็เปลี่ยนทิศยาบทแต่เราสามารถปฏิบัติสติ <c oughs> ขออภัยไม่ทราบเป็นไรเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติสติได้ตลอดเวลาในสี่ระยะบุญเพี ย, ยงแต่ว่านิเตะแต่ระยะบุญโอกาสที่จะทําให้มีสติดีไม่ดีมันต่างกันนะครับถ้าในท่านอนนี่มันจะทําให้สตินี่มันอ่อนเร็วหดเร็วเพราะมันอยู่ในท่าที่สบายพรสบายแล้วมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีความพยายามที่จะตั้งสติรักษาสติ แลาต้องนั่งอยู่ในทาที่มันไม่ค่อยสบายเช่นท่านั่งที่ทําให้เรามีความรู้สึกตื่นตัวแล้วท่าเดินท่ายืนแล้วบางทีอยู่ในท่ า, านี้ยังสติยังอ่อนได้เราก็ต้องไปหาสิ่งแวดนร้างที่มันกระตุ้นสติเช่นพระตุนตงเจ้าไปอยู่ในป่าที่น้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวมันจะทําให้มีสติเพิ่มมากขึ้น ไปอยู่ในบนเขานี่ก็สติไม่ค่อยห่างแคล่เลยครับมันก็อยู่แค่ตรงนั้นใช่มันต้อ ง, องมีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะมีความมันระมัดมีภัยรอบด้านเนี่ยมันก็ต้องมีความระมัดร้อนการะมัดระวังนี่ก็คือสตินี่คุณสราวุธครับทํายังไงถึงจะชนะใจตนเองได้ครับยากมากลําบากที่ฝืนกิเลสครับก็นี่เราต้องฝึกสติแล้วนั่งสมาธิให้ได้วเวก้า เพราะน่ามริกาเราก็จะมีกําลังที่จะชนะส่วกับกิเลสต่างๆได้คุณมริกาครับนั่งสมาธิพยายามจับลมหายใจที่ปลายจมูกแต่รู้สึกว่าหายใจแรงหรือลมหายใจหยาบจึงไม่ทราบว่าต้องแก้ไขยอย่างไรหรือไม่ครับอ๋อไม่ต้องเลยลมมันเป็นไปตามภาวะของมันบางทีเราไปวิ่งมาไปทำอะไรมาลมมันก็จะสัน้นจะหยาบ กว่าเวลาถ้าเรานั่งเฉยๆเรามานั่งสมาธินี่ลมมันก็จะไม่ไม่อยากบล ม, มจะเป็นจะอยากไม่หยากจะสั้นหรื อ, อยาวไม่เป็นปัญหาเราไม่มาเราไม่ต้องการมาควบคุมลมเราต้องการมาอาศัยลมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจเราลอยไปคิดถึงอดีตอนาคตคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเองเพราะถ้าใจเรามีงานทําแล้วมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้ามันมีงานต้องเฝ้าดูลมหายใจมันก็จะไป ดูทีวีไม่ได้ไปคิดถึงอดีดอนาคตไม่ได้เพียงแต่เวลาดูลมให้รู้่มันเป็นลมแบบไหนเท่านั้นเองจะได้รู้ว่าเราดูจริงหรือเปล่าลองเทดูแล้วไม่รู้ลมเป็นลมเป็นอย่างไรลมเข้าหรือลมออกแสดงว่าเราดูแบบไม่มีสติมีแบบใจลอยใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ทุกขณะว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าหรือหายใจออกตอนนี้ลมหยาบหรือลมละเอียดรารุ้งแสดงว่าเรามีสติ จริงๆอยู่กับลมไม่ใช่สักแต่ว่าดูลมไปแต่ใจไม่ได้อยู่กับลมเลยใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ได้คุณอังคณาพรครับเวลาเกิดความรักโลภโกรธหลงวิธีการขจัดต้องใช้สินแปดไหมครับเคือเอาแต่เราไม่เครื่องมือแล้วเราก็ใช้ไปเลยแล้วนึ อันไหนที่มันหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ก็ใช้ไปตามกําลังของเรากไปแต่การจะกําจัดความโลภความโกรธความหลงได้สมบูรณ์ก็ต้องอาศัยทั้งสามส่วนคืออาศัยศีลทั้งสมาธิและปัญญามามาคอยจับมาคอยกาจัดศีลก็จะรับร่างรัความโลภที่เกิดจากการพูดการกระทําก็ได้เชานอยากจะไปโกหกหลอกลวงใครก็พอเรามีศีลแล้วโกหกหลอกลวงไม่ได้แล้วก็ไม่โกหก มันก็มันก็งรงับความโลภที่เจ้าออกมาทางทางการพูดการกระทําก็ได้การกระทําเราก็โล้เราไปรักขโมยเงินของคนอื่นก็ไม่ได้เพราะเราถือศีลแต่มันยังความโลภในอย่างหด้มันยังมีอยู่ถ้าอยากจะให้มันหยุดท้ายไปก็ต้องใช้สมาธิสมาธิจะมาหยุดความโลภที่อยู่ในใจกับปัญญาสมาธิหยุดความโลภได้ชัว่วคราวปัญญายุดความโลภได้อย่างถาวร แต่ก็ต้องไล่ต้อนเข้าไปจากข้างนอกเข้าไปข้างในตนต้นก็ต้อนจากกายวาจาก่อนด้วยการรักษาสีลห้าสิบแปดไปพอเราเราการไม่ให้มันมาทางกายทางวาจาหน้ามันก็จะอยู่ในใจมันอยู่ในใจแล้วก็เอาสติไปคล้องคอมันไปผูกมันนัดไว้ให้มันเน่นเฉยพอมันเน่งเฉยมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอเราปล่อยสติปล่อยเชือกออกมันมันก็เล่นต่อไปได้ ยังโลภต่อไปได้ถ้าอยากจะให้มันไม่ไม่โลภเลยก็พอเราคล้องคองมันด้วยสมาธิแล้วพรจากสมาธิมาพอถอดเชือกใหม่ๆมันยังไม่มีแรงก็เอาปัญญาเอามีด ม, มาตัดหัวมันเลยปัญญานี่เป็นตัวตัดหัวความโลภความโกรธความหลงพอมันตายนี่มันตายอย่างถาวรนะคุณไรคอลพีนครับ อัปปนากับฌานสี่อันเดียวกันไหมครับมีความแตกต่างกันไหมครับอันเดียวกันนะคุณเพียงพิษครับการนั่งสมาธิจาเป็นต้องนั่งขัดสมาธิไหมคะถ้านั่งบนเก้าอี้แทนได้ไหมครับคือได้จะนั่งท่าไหนก็ได้แต่ท่าที่เหมาะกับการนั่งสมาธิที่ทสุดก็คือการท่านั่งขัดสมาธิบางทีเราต้องนั่ง น, น, นานๆกว่าจะได้สมาธิ แล้วถ้าเรานั่งในท่าที่มันไม่มันม่นคงเช่นบนเก้าอี้นี้นั่งกายมันสามารถเอน็นร่วนงอไปทางด้านใดด้านหนึ่งง่ายกว่าการที่เรานั่งขัดสบายเพราะเรานั่งขัดสบายนี่ฐานของร่างกายมันมันมันกว้างนะเรามีมีข่าไม่ค้านีาาา่งออยู่มันทําให้ร่างกายนี้เอเอียงยากกว่าแล้วก็จะนั่งได้สบายกว่าถ้านั่งานานกว่านั่งบนเก้าอี้แต่สําหรับผู้ที่ไม่เคยก็าอาจจะต้อง ถ้าอยากจะนั่งสมาธิสั้นๆไม่นานก็นั่งบนเก้าอี้ไปก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากจะนั่งแบบเป็นมืออาชีพเนี่ยก็ต้องไปหานั่งขัดสมาธิเหมือนเวลาเล่นกีฬาเนี่เขามีวิธีเล่นของเราใช่ไหมเวลาตีกอล์ฟก็ต้องมีวิธีจับไม้้ไม่ใช่จับตามสบายใจเราใช่เราก็ตับจับตามสบายใจเราได้แต่ตีตมันจะไม่ค่อยดอยีไม่ค่อยได้ผลดีเท่ากับหลักการของการจับ ของที่ถูกต้องม่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันนะวิธีนั่งสมาธิที่ดีที่สุดที่เหมาะที่สุดที่จะได้ผลดีที่สุดก็คือการนั่งแบบขัดสมาธแบบแบบิขัดสมาธิแบบขัดสมาธิเพชรก็ได้และขัดสมาธิแบบธรรมดาขวาทับซ้ายก็ได้คุณสมพรครับทําไมเวลาเรามีญาติของเพื่อนแนละหรือญาติของคนที่เรารู้จักมักคุ้นด้วยเสียชีวิต เราจะมีความทุกข์ร่วมขึ้นมาอย่างอัตโนมัติความรู้สึกแบบควบคุมไม่อยู่ ท, ท, ท, ทั้งที่ทราบอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้ ง, งที่รู้เข้าธรรมะแต่ทําไมโยมยังรู้สึกมีความทุกข์ร่วมไปกับคนที่โยมรู้จักไปด้วยครับเพราะเรามีความผูกพันกับเขาเนี่ยมีความรักมีความผูกพันเมื่อเรามีความรักมีความผูกพันแล้วก็ไม่อยากให้เขาจากไปอยากให้เขาอยู่อยากให้เขามีความสุขแต่คนที่เราไม่รู้จักนี่เขาตายไปแล้วในนัานานาน่นเราสเสพมันแ้วเสพเฉยๆใช่ไหม ทุกวันมีคนตายมีเหตุเปิดทีวีดูข่าวก็มีค่ากันตายอ่านหนังสือพิมพ์ก็มีค่ากันตายแต่เราไม่รู้จักเขาอ่ะเมื่อเราไม่มีารู้จักเขาแล้วก็ไม่มีความผูกพันไม่มีไม่มีอุปทานไม่มีความอยากให้เขาอยู่หรือให้เขาตายก็จะอยู่จะตายก็ไม่ไม่เดือดร้อนแต่คนที่เรารู้จักนี่เรามีอุปทานแล้วใช่ไมมีความยึดติดในตัวเขาอยากให้เขาอยู่อยากให้เขามีความสุข เราก็ไม่มีความสุขเขาก็ตายแล้วก็เสียใจคุไลค์กพีนครับสมมติว่ากินน้ําเปล่าตอนกลางคืนถ้าในแก้วมีตะไคร่น้ำเล็กน้อยหรือมีซากมดตัวเล็กๆสักตัวแล้วกินน้ํานั้นเข้าไปศีลแปดจะขาดไหมครับมีหลักการพิจารณาอย่างไรครับถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่เดิมเข้าไปมันก็เท่ากค่ามันฆ่าสิ่งที่มีชีวิต แต่ไครน้เ น, นี่ไม่ทราบว่ามันจะเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือมันต้องมีวิญญาณถึงจะถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตถ้ามีรุ่ถ้ามีลุ่งน้ำอยู่ในแก้าน้ำเรานื่มเข้าไปก็เหมือนปลากินกินลุ่งน้ำเนี่ก็เป็นอาหารครุณ อ, อังคณพรครับศีลแปดเป็นวิธีที่สามารถตั้งมั่นในการทําสมาธิได้นานใช่ไหมครับคือมันจะช่วยทําให้เรามีเวลาได้ทําสมาธิมากขึ้นไง มันจะห้ามไม่ให้เราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่งที่นี่ก็ไม่ได้ไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ได้เนื่อเราก็จะมีเวลาว่างไม่มีอะไรทําก็นั่งสมาธิได้นาขึ้นได้มากขึ้นเมันได้นั่งมากขึ้นนานขึ้นบางนี้โอกาสที่จะสงบก็ได้มากขึ้นนานขึ้นตามมาคนไลค์โคพีนครับ สมมติเรากำลังดูพระธรรมเทศนาแล้วโฆษณาก็มาโฆษณาอาจมีเพลงด้วยหรืออาจไม่มีเพลงแบบนี้สินแปด จ, จะขาดไหมครับไม่ขาดเราเราต้องเราต้องมีความอยากมีความยินดีอันนี้เหมือนกับเราเดินไปภาพบินทะบาดไปตอนเช้าบางบ้านก็เปิดเพลงน้องราทําเพลงกันช่วงช่วงงานสงการนี่เขาก็ร้องราทําเพลงไปภาพบินทบาดก็บินไปอันนี้ก็ไม่ขาดหรอก คุณลักสมิทัศน์ครับจิตไม่สงบหงุดหงิดง่ายเวลามีสิ่งที่ไม่ชอบใจมากระทบจะขจัดเช่นไรครับนั่นแหละก็ต้องฝึกสติให้จิตมีความตั้งมั่นมากขึ้นให้มีสมาธิจิตมันเบาเหมือน น, นุ่งไงมันไม่หนักแน่นแต่ถ้ามีสติฝึกสติฝึกสมาธิแล้วจิตจะเป็นเหมือนก้อนหินมันจะมีความหนักแน่นมันจะไม่ค่อยหงุดหงิดมันจะไม่ค่อยมีอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้ เพามัลดความรับช้ำกลัวลงลงไปตามลําดับของกําลังของสติของสมาธินี่คุณแลค์คพีนครับศีลแปดต้องสมาทานทุกวันไหมครับถ้าเราปฏิบัติทุกวันไม่ต้องหแล้วก็สมาทานครั้งเดียวนอกจากว่าเราเลิกปฏิบัตินั้นเรามาปฏิบัติใหม่แล้วก็ต้องสมาทานใหม่จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับ ใช้คําสอนเช่นการพพรากจากการเป็นธรรมดาเป็นของชั่วคราวอนิจจงอนัตตาถ้าไปยึดติดไปอยากจะเป็นทุกข์มาเป็นคําบริกรรมแทนพุโทโธได้ไหมครับก็ลองทําดูซิลองทำ ด, ทำดูแต่ละคนมันต้องทดสอบดูบวิธีการต่างๆของแต่ละคนมันก็ไม่ยากอย็นอะไรไมนะ่น่ า, านอกมาถามเลยก็ลองทํำดูได้ทำดูเดี๋ยวก็รู้แล้วทำสักชั่วโมงก็รู้แล้วไปเนี คุณเป๊บครับถ้าทําบุญปล่อยปลาดุกทานปลาดุกจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปครถ้าปลาดุกที่เราทานเราไม่ได้ไปฆ่ามันหรือสายคนอื่นาฆ่าให้เราคุณไลโคพีนครับบอกว่าจากอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์ให้ผมถือศีล8และเดินรอบละสมชั่วโมงนั่งสามชั่วโมงเดินไม่มีปัญหาครับแต่นั่งขัดสมาธิเพชรได้ไปถึง3ชั่วโมงครับถ้าทําไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ ก็อยู่ที่สติของเราว่ามันมีมากขึ้นหรือไม่ที่นั่งไม่ได้นายเพราสติเรามันไม่มันยังมีกําลังน้อยไม่เหมือนจับตอนที่เราเดินตอนที่เราเดินเราจะมีสติตอนนี้แต่ช่วนงนึงก็าจจะเป็นเพราะว่าเวลาเดินมันจิตมันยังสามารถขึ้นไหว ท, ทาานหนําอะไรต่างๆง่ามันก็เลยไม่แสดงอาการรุนแรงต่ อ, ต, อต้านเหมือนกับเวลาที่เรานั่งเห็นก็เราพยายามฝึกสติให้มากถ้านั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินต่อ มมนจำเป็นจะต้องกำหนดให้มันถึงสามชั่วโมงถ้ามันนั่งเท่านัา้นทาไหลเขาเท่านั้นมาเปลี่ยนมาเป็นเดินตรงกรมไปก่อนมาสร้างสติให้มีกำลังมากขึ้นไปก่อนอาจะเปลี่ยนเป็นเดินสี่ชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงก็ได้คุณสุธีรัตน์ครับผมเคยอ่านเจอที่หลวงปู่ดูลนท่านว่าไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาบได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเอง ผมสงสัยว่าพระ เ, เจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านยังมีความโกรธอยู่หรือครับท่านไม่มีหรอกเพราะท่านดับต้นเหตุของความโกรธนะต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทำเราก็โกรธเขาใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าความอยากไปทําให้เขาทำให้เราก็โกรธแล้วก็อย่าไปอยากปล่อยให้เขาทาอะไรตามเรื่องของเขาไป อาจารย์ครับขอโอกาสครับอภ า, าพพระอาจารย์มีมีฟรีสเป็นบางช่วงนะครับแต่เสียงปกติเลยนะครับพรอาจารย์ครับไม่รู้ว่าสัญญาณของเรทำนี้กันหมอของเราทำนี้ก็ปกติดีนะอาจจะเป็นสัญญาณเชื่อมต่อกันอาจจะมีปัญหาก็ได้ทางคุณหมอ่สัญญาณอาจจะขัดขาดเป็นขนั้นบานตอนหรือแต่ละคนไม่เหมือนกันคนดูอาจจะมีไม่เหมือนกันนะเพราะว่าสัญญาณของแต่ละคนมันไม่ไม่ไม่เหมือนมันไม่ เ, มมมเท่ากัน แล้วองเราท้นี้ไม่มีปัญหาเลยภาพชัดเจนอะไรทุกอย่างเป็นปกติหมดครับอะไรก็ไม่เป็นไรรับทราบแต่ยังให้ทําอะไรเราก็ทําไม่ได้เราก็ทําได้เท่านี้ครับอาจารย์ครับคุณไลโคปีนครับถ้านั่งช่วงน้ํายังไม่หมดตัวเช่นช่วงหลังกินข้าวเช้าถึงช่วงเย็นๆนั่งแล้วมันเกิดปวดฉี่ครับควรทํำยังไงดีครับอาจารย์ก็ก่อนจะนั่งก็อย่าเพิ่งดื่มน้ามากเลยเมืเ่อไหร่ถ้าเรารู้ว่าเราอยากจะนั่งนาน เราก็ต้องลดการดื่มน้ําสักสองสามชั่วโมงก่อนที่เราจะมานั่งอย่าไปเดมเลยแล้วก่อนจะนั่งก็ฉี่ให้มันสุดๆไปเลยอันนี้ก็ไปนั่งได้จากทั้นเดิมครับอีกปัญหาที่เจอคือนั่งๆไปใจมันไม่อยากนั่งแล้วครับจเจริญสติก็ทําแล้วแต่มันก็เป็นครับอันนี้คือฤทธิ์ของกิเลสหรือครับควรแก้อย่างไรครับก็สติแล้วหมดกําลังก็ต้องยินยอมรับสภาพไปก่อนก็เปลี่ยนวิธีก็ได้ หางานให้มันทําแทนที่จะพุโทโธไม่เบือ่อเราให้มันมาท่องอาการสามสิบสองดูก็ได้ส่วนอ e ิติปิโสก็ได้ส่วนพสูตรเรานึกถึงพสูตรเช่นเรามีหนังสือเป็นจ้างกรสูตรเป็นภาษาไทยเราไปท่องอา่านอยูแล้วเอามาท่องตอนที่เรานั่งสมาธิแทนก็ได้แเราเคยหัดท่องเราท่องสติปัฏฐานสูตรเรารู้เรานั่งเฉยๆไม่ได้นั่งโดยลมแล้วมันนั่งแล้วอึดอัดนั่งไม่ได้ แล้วก็เปลี่ยนมาท่องพศ ส, สติปัฏฐานสูตรมันก็นั่งต่อไปได้นั่ระยะยาวพอสวดเสร็จพอท่องเสร็จแล้วเราก็สามารถนั่งอยู่ลมต่อไม่ได้อีกคุณไลโคพีนครับอะไรคือเหตุผลหรือปัจจัยที่ทําให้ได้อัปปนาและทําให้บรรลุมรรคผลภายในสามเดือนได้ครับเพก็สติเนี่ยพุทธเจ้าบอกถ้าสามารถเจริญสติได้ตั้งแต่เื่นจนหลับเนี่ยก็จะสามารถได้อัปปนาสมาธิ แล้วพอได้สมาบัรณาสมาธิก็สามารถไปพิจารณาตายลักในกายเวทนาจิตได้มันก็นมันต้มาผลที่ผ่านได้ภานเจ็ดวันก็ได้พระเจ้าบอกไม่ย่อสามเดือนเลยเราไปอ่านที่ปลายพระสูตรของสติปัฏฐานสูตรดูสิถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจากท่านเดิมสอัปปนาถ้าทํำจริงๆแบบพุ่มเททําได้ทุกคนไหมครับ ได้อันนี้ไม่มีอันนี้เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้คุณวรนธนาครับทําอย่างไรที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดครับก็ตัดความอยากทั้งสามเนี่ยตัดการมาตัญหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกิ่นวัตตัดภาวะตัญหามีภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นหรือความอยากเสพ ร, รูปประชานความอยากเสพ่ารูปประชาอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นภาวะตันหาวิภาวะตันหาตันเป็นแค่ไปใค่หนุนคุณอุไรครับพอนั่งสมาธิไป น, นานๆไม่ค่อยสงบเปลี่ยนไปเดินจงกรมกลับทําได้นานสงบมากกว่านั่งแบบนี้ถือว่าปฏิบัติได้ถูกไหมครับถูกแล้วแสดงว่าสติเรายังไม่พอสําหรับการนั่งแต่พอสําหรับการเดินแล้วก็เดินไปก่อนแล้วองกลับมานั่งต่อใหม่ต่อไปอาจจะนั่งได้นานขึ้นไปตามลํ า, าดับ สมพรครับเวลาเรามีความทุกข์แก้โดยการที่เอาธารู้เอาตัวรู้ไปรู้เท่าทันพอจะช่วยให้ใคลายทุกข์ได้ไหมเพราะเสมือนเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความรู้สึกทุกข์เอาได้ง่ายๆจระดออกไปทันทีตามใจต้องการได้จึงต้องเอาตัวรู้ไปรู้ความรู้สึกแต่อยากไปเบาะอยากให้ความทุกข์มันหายไปตามใจต้องการมันจะคลายทุกข์มันจะหายทุกข์มันก็คลายมันก็หายของมันเองโยมคิดเช่นนี้ถูกคิดถูกทางถูกรมหรือ ย, ยังครับ ก็อยู่ที่ทําได้หรือไม่ได้ให้สักแต่ว่าเราลูกเฉยๆไปเวลาใครก็ด่าเราก็เฉยๆไปทุกก็จะไม่เกิดถ้าไปโกรธเขาไปไม่พอใจเขาอะไรเงี้ยมันก็ทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาทันทีอยู่ที่ว่าเราเอาเอาตัวรู้ออกมาได้หรือเปล่าให้รู้เฉยๆได้หรือเปล่าหนึ่งวันที่พุทธเจ้าสอนภายิยวะว่าเธอเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน ถ้าเธอทำได้เธอก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารูไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้เขาเป็นตายแล้วเขาเปลี่ยนของเขาเองถึงเวลาเขาก็เปลี่ยนเขาเองถ้าไม่ถึงเวลาให้เขาเปลี่ยนเราไปบังคับยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีเราก็จะเหนื่อยไปบ้าๆนอนจะทุกข์ไปบ้าๆถ่าเรารู้เฉยๆไปดีกว่าแล้วเราก็จะไม่เหนื่อย น, นอน คุณวุฒิชัยครับกับเรียนถามพระอาจารย์สมัยปลิกตัวเช่าบ้านเพื่อทดลองปฏิบัติตอนนั้นเข้าสู่อั ป, ปนาสมาธิได้แล้วหรือไม่ครับเพราะเคยได้ยินพระอาจารย์พูดว่ายังของคารวาดอยู่จะยากที่จะเข้าไปในถึงอั ป, ปนาครับก็ไม่อยากจะพูดว่ามันอั ป, ปนาหรือไม่อั ป, ปนาแต่มันสงบอ่ะมันผ่านทุกขเวทนาได้ด้วยการใช้คำบริกรรมมันก็ผ่านได้แต่มันไม่สงบนานมันสงบแค่ชั่วขณะสองขณะ แต่มันเห็นความแปลกประหลาดของใจที่พลิกจากหน้าเมือนเป็นหลังมืออยากฟุ้งซ่านวุ่นวายเครียดแล้วก็วีดีก็หายวับไปหมดทุกอย่างว่างเย็นสบายก็เลยติดใจสกับสภาพของความว่างของสบายของจิตก็เลยพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นคุณมลธนาครับทุกก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาคือเป็นการทําใจทําจิตให้เป็นปกติใช่ไหมครับ คำว่าปกติคือไม่ตื่นเต้นไปกับสุขหรือทุกข์หรือเปล่าการที่เราไม่ตื่นเต้นไปกับทุกข์หรือวางเฉยพอเข้าใจค่ะแต่สุขนี้เราทําไมต้องวางเฉยกับมันด้วยครับเพราะมันไม่เที่ยงไงถ้าเราไปยินดีกับมันเดี๋ยวพอมันหมดมันก็ทําให้เราทุกข์ถ้ามันสุขแล้วมันถาวรแล้วก็ก็ยินดีกับมันได้แต่มันไม่ถาวรเดี๋ยวมันก็หมดไปพอมันหมดมันก็ทําให้เราเศร้าเหนาอีก เพราเราอยากจะให้มันอยู่ไปเรื่อยๆเป็นไปเรื่อยๆพอเราไม่เป็นไปตามความอยากทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแต่ถ้าเราไม่ไปยินดีไม่ได้ไปอยากให้มันให้มันอยู่กับเรามันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปเราก็จะไม่เดือดร้อนล้วก็ถ้าเราต้องเฉยได้คุณโยโย่ครับกิเลสความอยากมันพยายามจะหนีออกจากรั้วที่เราล้อมเอาไว้ตลอดทําให้หาความสงบได้ไม่ตลอด ผมกราบขอขอแขออนวทางด้วยครับก็ต้องไปไปไ ป, ไปห้อมรั้วมันน ท, ที่มันไกลไกลจากแสงสีเสียงเลยนัน ไ, ไปอยู่ในป่าในเขาอย่างพระปฏิบัติเนี่ยนั่นไปอยู่ตามป่าตามเขาถึงแม้มันจะแหกแหกข้อออกมามันก็ไม่มีที่ไป <c oughs> มีแต่ปา่าแต่เขาแต่ถ้าไปอยู่ในวัดบ้านใกล้บ้านใกล้เมืองนี่มันพอมันแหกพัมมันก็ไปได้หมด คุณจิตตกรครับบททดสอบมักสอบไม่ผ่านทุกครั้งกับอารมณ์โมโหควรแก้ยังไงดีครับพูดโถก็ไม่ค่อยอยู่ครับทุกกับอารมณ์นี้ครับก็พยายามฝึกยินดีตามมีตามเกิดอยู่อย่าไปจูจ้จี้จุกจิกอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นยังไงก็ได้ฝนตกก็ได้แดดออกก็ได้น้ําท่วมก็ได้ใครชมก็ได้ใครด่าก็ได้ถ้าอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่โกรธได้ คุณน้ำหวานครับหากได้ศึกษาจนรู้และเข้าใจแล้วว่าอาวิชชาตันหาอุปทานคืออะไรมองเห็นโทษในสิ่งเหล่านี้และรู้สึกตนขณะเกิดความรู้สึกเหล่านี้พยายามเห็นโทษแต่ก็วางได้เพียงชั่วคราวจะต้องปฏิบัติในทางใดจึงจะมีกําลังสติละวางได้ครับก็ฝึกสติทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตเข้าสมาธิให้ได้นานๆกินได้เข้านั่งสมาธิได้นา น, านาาเท่าไหรก็มีกําลังวางเฉยได้น า, นานขึ้นไปเท่านั้น คุณพีโกครับอวิชชาใดบ้างเป็นเครื่องกั้นโสดาบันครับก็คอามไม่เห็นขันธ์ห้าว่าเป็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นสภาวะธรรมมันดินฟ้าอากาศเราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราเราควบคุมบังคับมันได้แต่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้เวทนาเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้วันหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช้าสุกเดี๋ยวบ่าย ทุกเดี๋ยวกลคืนไม่สุขไม่ทุกข์มันก็สลับไปสลับมาแต่เราคิดว่าเราควบคุมได้ต้องหาให้มันมีแต่จบเวทนาแล้วก็ต้องดิ้นหล่นพอสุขหายไปก็ต้องหาวิธีทํำดึงมันกลับมายันไปเที่ยวบางไปหาอะไรมาเสร บ, บ้างเพื่อนสุขเวทนากลับมากลับมาเดี๋ยวดยวีมันก็ไปนะก็ต้องวิ่งคอยไล่มันดึงกลับมาอยูเย่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ก็ทุกข์ ถ้าแต่ลราเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับไม่ได้ก็ปล่อยมันไปสิสุกจะมาก็ให้มันมาสุกจะไปก็ปล่อยมันไปทุกจะมาก็ให้มันมาไม่สุกไม่ทุกจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปเราลุ่ยเฉยๆเราก็จะไม่เดือดร้ายกับมันพระโสดาบันเห็นเห็นว่าร่างกายเวทนาร่างกายกับความรู้สึกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นมันไปมันมาตามเหตุตามบัจจัยที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ เราก็อย่าไปควบคุมมังครับมันอยู่ละอยู่กับมันไปมาแบบไหนก็อยู่กับมันไปกินอยู่กับขันได้ทุกสภาพร่างกายจะขกดจะเจ็บจะตายจิตก็รับได้เวทนาจะสุขจะทุกข์เมื่อไม่สุขไม่ทุกข์จิตก็รับได้ที่มันที่จิตไปทุกข์เพราะว่าอยากจะจัดการกรับเวทนาจัดการกับร่างกายให้เป็นไปตามความอยากซึ่งพอเกิดความอยากแล้วมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที คนสมบูรณ์ครับไม่แน่ใจเคยถามพระอาจารย์บอกว่าเป็นกดไหลย้อนจุกท้องบ่อยๆพระอาจารย์เคยสอนว่าอย่าอยากหายออกควรปฏิบัติอย่างไรครับก็รู้เฉยๆไปแล้วก็เคยเป็นเราสังเกตดูบางทีดื่มน้ำเข้าไปทั้งทั้งั้งหน่อยมันก็หายได้หรือบางทีเราพยายามผายลมออกจากจากร่างกายทางปากพยายามให้มันเลอบังคับให้มันออกมาทางปากรู้สึกมันก็เบาลงได้เนทะ่าที่เราสังเกตในเวลามันเป็นเนื้อจุกแน่นแน่ขึ้นมา แบบฉับพลันนะแบบเฉียบพลันขึ้นมาอยู่ดีๆมันก็ผลขึ้นมาถ้าไม่ทํามันก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึงมันก็จะคลอยมันก็จะหายไปอย่ตานานหน่อยแต่ถ้าบางทีดื่มน้ําเข้าไปมันก็หายได้หรือบางทีก็ใช้การเนี่ยผายลมให้มันออกมาทางปากให้มันเลยออกมาอ่าเออมัต้องสึกเบาลงได้อันนี้ไม่ใช่เราถูกกุญแจกุหมามีส่วนกุญแจกุญมานะ มันอยากจะหาทางออกหแล้วก็ช่วยให้มันมีทางออกมาแต่พระการดีขึ้นเลยใช่ไหมครับพ่อธรรมอ่าดีขึ้นเลยก็โอเคครับแต่ก็เป็ทํางลองทดสอบดูลอาทดลองดูจะไม่เป็นบ่อยนานๆเป็นทีม่อากาะจุกเสียนจุกจุกท้องเนี้ยนานๆเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้หายไปหลายเดือนแล้วเนี่ยแต่บางช่วงก็เกิดบ่อยหน่อยก็ไม่ทราบสาเหตุมาจากอะไรเพราะเราก็กินอยู่ตามปกติอยู่ทุวั ก็เรายอมรับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องนิจจังส่วนในส่วนหนึ่งมันอาจจะไม่ปกติในเวลานั้นก็ได้แต่ถ้าถ้ามันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปบางทีมันไม่หายก็ยอมอยู่กับมันไปเฉยๆไปใจก็ไม่ทุกข์ไม่ไม่เดือดร้อนไปกับมันอันั้นเป็นเป้าหมายแรกคืออย่าไปทุกข์กับมันเมื่อเราไม่ทุกข์กับมันนั้นถ้าเราแก้ได้เราก็หาวิธีแก้ไปแก้ได้ก็ดีถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังไม่เดือดร้อนอยู่เพราะเราอยู่กับมันได้ คุณสติครับคนรู้จักโทรมาบอกบุญบ่อยๆบางทีก็ร่วมบางทีก็ไม่ร่วมล่าสุดมีศรัทธาร่วมบุญใหญ่ไปหลายหมื่นบาทบอกเขาว่าจากนี้ของงดเว้นก่อนเก็บเงินเขายังโทรมาเรื่อยๆบอกว่ามีบุญเด็ดเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันรู้สึกว่าเขาเจ้าเล่ห์หนูเริ่มลำคาไม่พอใจไม่อยากรับสายต่อไปควรจะพูดอย่างไรเพื่อจะได้ไม่โกรธเคืองกันครับก็บอกขอบคุณค่ะงั้นก็ จ, จบ เราจะทําให้ทําก็วางสายไปเลยขอบคุณค่ะรับทราบแล้วค่ะก่อนมโนทนาค่ะครับก็จบถ้อยเขาจะโกรเราไม่กรธมันห้ามเขาไม่ได้เมื่อเขาไม่ได้ตามใจอยากเขาก็ต้องกรธเราเป็นธรรมดาคุณพนิดาครับนั่งสมาธิแล้วจิตหลุดออกนอกตลอดไม่สงบทําอย่างไรดีครับใช้พุทโธหนึ่งกลับมาเลย พอจิตไปก็แสดงว่าไม่มีพุโทโธแล้วไม่มีสติแล้วก็ต้องต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธนึงจิตขึ้นมาคุณใบ ย, ยกครับลูกนั่งสมาธิไม่รวมมาสามวันแล้วเจ้าค่ะรู้สึกไม่ชอบใจที่นั่งนล้วไม่รวมเพราะตอนรวมมันสงบสุขมากรู้เฉยเฉยไม่ปรุงแต่งว่างแล้วสุขมากที่นั่งไม่ได้เพราะสติน้อยอาจจะพยายามไม่เข้าข้างเรื่องฮอร์โมนเจ้าค่ะใช่มันตัวสติตัวเดียวนั่นนหละที่เป็นตัวที่จะ อ่าที่จะทําให้เราสงบก็ไม่สงบถ้าสติมากมันก็สงบถ้าสติน้อยมันก็ไม่สงบเพราะนั้พยายามมาเร่งสติดี๋วก่อนมาฝึกสติต่งางๆตื่นขึ้นมาเลยพอเริ่มตา่ขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะเร่งสติได้เพราะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครเป็นขึ้นมาก็เตรียมตัวอาบ น, น้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟั น, น, นอะไรนี่แล้วก็พุโทโธพุโทโธของเราไปเรื่อยๆนั่นเราก็จะมีเวลาสร้างสติขึ้นมาในช่วงนั้น แล้วาอาจจะทําให้เราสามารถทับต่อได้เมื่อเราเริ่มทําแล้วมันสติมันก็เริ่มหมุนเองนะพอมันเริ่มหมุนเองมันก็จะง่ายขึ้นการจะเริ่สติต่อไปก็จะง่ายขึ้นคุณเลเวอร์ครับขอความเมตตาครับถามถึงขันห้าเมื่อรูปคือลมดับไฟดับน้ําดับดินดับส่วนน้ําที่เหลือดับต่อเนื่องกันอย่างไรบ้างครับน้ําไม่ดับน้ํำก็อยู่เหมือนเดิมอพอพอพอน้ําน้ําก็ วิญญาณก็ก็ก็หยุดทํางานไม่ไม่เชื่อมต่อกับร่างกายแต่ก็ยังอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารยังทํางานได้อยู่ก็อยู่ในโลกคิดเหมือนอยู่ในโลกของความฝันแล้วตอนนั้นนามก็จะถูกอํานาจของบุญของบาปเป็นทั่วผักดันให้ปรุงแต่งแทนถ้ามีบุญบุญก็จะผักดันให้คิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้สัญญาก็จะคิดถึงเรื่องบุญที่เราได้ทำไว้สังขารก็ปรุงแต่ง เกี่ยว่าเรื่องที่เราได้ทำมีความสุขจากการที่เราได้ไปทำบุญในตนน่างๆนีมันก็จะเป็นในการฝันดีไปร้างเรื่องที่ดีให้เราได้สัมผัสถ้าเป็นบามันก็จะให้เรานึกถึงเหตุการณ์ในร้ายต่างๆที่เราไปทำไว้มันก็ทำให้เราเกิดความหวาดกลัววิตกเกิดความทุกข์เกิดอะไรสังขารก็ปูงแต่งมันดยทาที่ไม่ดีไปนี่คือหลังจากที่วิญญาณยุติการเชื่อมต่อกับร่างกายนะ นั่ต้แต่ร่างกายพอหยุดทํา ง, งานก็วิญญาณก็ตัดทันทีไม่รับรูปเสียงกลิ่นต้นจากร่างกายนะไม่รู้เรื่องของร่างกายนะก็เหมือนคนนอนหลับตอนที้เรานอนหลับวิญญาณก็ถอนออกจากร่างกายชัวย่วคราวไม่รับรู้อะไรธรรมนั้นก็อยู่ในนอกของความฝันแปอันดีก็เพราะบุญเป็นผู้ผู้สั่งการอันร้ายก็เพราะบาปเป็นผู้สั่งการเลยนั้นก็บุญหรบาปหมดหม ด, หมดอิทธิพลต่อจิตใจของเรา มันอตายนี้ก็จะไปรอรับร่างกายใหมไปเกิดคนพีโกรครับวิญญาณขันคือจิตหรือเป็นส่วนหนึ่งของจิตครับเป็นส่วนหนึ่งของจิตเป็นเครื่องมือของจิตเหมือนเหมือนแขนขาของจิตนะจิตมีแขนขาอยู่สอันมีมีมีวิญญาณมีเวทนามีสัญญามีสังขาร แต่ตัวพวกนี้เขาไม่รู้นะเขาไม่รู้ว่าสุขทุกข์เป็นยังไงเขาไม่รู้ว่าเขาคิดปรุงแต่ผู้ที่รู้อีกทีคือตัวจิตตัวรู้คือตัวเป็นแต่ตัวรู้ไม่ได้เป็นตัวคิดตัวคิดเป็นสังขารตัวจําได้หมายรู้เป็นสัญญาตัวมีความรู้สึกแสดงความรู้สึกนี้เป็นเวทนาตัวที่รับรูปเสียงกิริย์นั้นมาเป็นวิญญาณแต่ผู้ที่รู้สิ่งต่างๆนี่คือจิตตัวรู้เป็นผู้รู้รู้สังขารรู้วิญญาณรู้สัญญารู้เวทนา แล้วมีความหลงมาหลอกให้รู้ไ ป, ไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมบังคับได้มันก็เลยไปอยากให้เป็นไปตามความอยาก พ, พอไปอยากแล้วมันก็เลยทำให้จิตทุกข์ขึ้นเวลาไม่ได้ตั้งใจอยากคุณพิตินันครับจะใช้ปัญญาพิจารณาอย่างไรว่าการมีชีวิตคู่เป็นความสุขชั่วคราวเพราะเมื่อทุกข์ก็จะทุกข์มากครับก็ดูคนที่เขาแต่งงานแล้วก็อยากกันดู คนแต่กันเมื่อคราวยังไม่ทันดำมันตกตีกันแล้วก็เป <c oughs> ็นดูศึกษาเนี่ยละคร น, น้ำเนวก็มีต้องเยอะๆยให้ดู <c oughs> คุณพัชรวัตรครับรู้ขอกาถามอวิชชาตันหาอุปทานทั้งสามนี้ต้องใช้หลักการวินาโดยการใช้สติและปัญญาใช่หรือไม่ครับใช่ใช้สติและปัญญาก็จะตอนต้นก็ใช้สติแล้วสร้างสติ ถ้าไม่มีสติเราไม่สามารถดึงใจออกจากอวิชชาได้มันจะถูกอ ว, วิชชาครอบงาอยู่พอเราสร้างสติแล้วเราก็จะสามารถดึงใจออกจากความครอบงำของอวิชชาเพื่อมาศึกษาวิชาคือความคือตายรักที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเหวนไปเจรณาอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่มีสติทาใจทัง้งสองนี้เราจะไม่อยากเราจะไม่อยากคิดถึงเรื่องตายรักกันใช่ไหมไม่มีใครคิดอยากคิดถึงเรื่องความตายกัน พี่พระเจ้าสอนมาให้เราเรื่อว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดผ้าจากกันเป็นธรรมดานี่ไม่มีใครอยากจะคิดกันหรอกเพราะมันตัดจิตบรรถุกอาวิชาครอบงำอยู่เอวิชามันจะหลอกให้เราไม่ให้คิดถึงเรื่องหลังให้เห็นแต่ว่าโอ้สิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีได้ลาบ ม, มาแล้วจะมีความสุขได้ยศนะจะมีความสุขมันจะเน้ให้ไปคิดในทางนั้นเราต้องใช้สติหยุดความคิดแบบนี้ลงไปชั่วข่าวก่อนพอมันหยุดแล้วทีนี้ว่าอาอกออกจากสมาธิมาแล้วก็ นึงมันมาคิดทางปัญญาได้ที่ว่าทุก อ, อย่างมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราคุณสมพรครับการจะพยายามตัดความอยากชนิดที่เกิดมาจากความวอนไม่ใช่จากน e d ต้องใช้ธรรมะข้อมีสติอุเบกขาและยอมตัดกิเลสส่วนกิเลสที่เป็นความน e d ก็ดีหน่อยเพราะไม่ก่อความเสียหายแต่อย่างใดการต่ดกิเลสต้องใช้หลักคิดหลักธรรมอย่างไรครับ ใช้หลักเหตุใช้ปัญญาปัญญาระถามว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันจําเป็นไหมถ้าไม่ได้มันแล้วเราตายไหมถ้าไม่ได้เราตายก็แสดงวันป น, นี้นะใช่มันสิ่งที่เราต้องมีอย่างนี้ก็เอามาได้เช่นลมหายใจเนี่ยเราต้องหายใจหรือเปล่าถ้าเราอยู่หายใจเมื่อไหร่ตายไหมตายใช่ไหมยิ้นอย่ายอยู่หายใจอย้านี่จำเป็นอยากอยากหายใจนี้ไม่เป็นกิเลส หรือยากก <st ut ettre> ินอาหารเมื er weg, we ่อถึงเวลาร่างกายมันหิวก็ต้องกินอาหารแต่ถ้ามันอิ่มแล้วมันไม่หิวแล้วไปกินอย่างนี้มันก็จะเป็นกิเลสได้หรือไม่ได้เอาสิ่งที่มันไม่จําเป็นน่ยไม่ได้มันมาเราก็ไม่ตายเช่นเสื้อผ้าเรามีพอหรือยังเราคัสเราเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่เราอยากจะได้จําเป็นไม่ต้องมีไหมถ้าไม่ได้มันมาเราจะทําไม่ได้มาเราจะทำให้เอาตายหรือเปล่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไเอา ถาตัวเองว่าสิ่งไหนที่เราอยากได้แล้วมันจะทําให้เราตายหรือไม่ตายแค่นี้แหละถ้ามันจะทําให้เราตายเราก็ต้องเอามาถ้ามันไม่ได้ทำให้เราตายได้มาแล้วเราก็ไม่ตายเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีมันก็ได้คุณพีทครับเวลานั่งสมาธิสังเกตว่าถ้าพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายหรืออสุภะจะสงบกว่าภาวนาพุโทโธแล้วก็อยู่กับความสงบนั้นไปแบบนี้ปฏิบัติถูกไหมครับขอคำแนะนาครับ นั่นก็อยู่ว่าความสงบมันได้ระดับไหนได้อาจจะเป็นความสงบแบบไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้นแต่ยังไม่รวมเป็นอัปปนาสมาธิการจะท้ายมันรวมเป็นอัมมานาสมาธินี้มักจิตมักจะตั้งเพ่งอยู่อารมณ์เดียวเช่นคาอะไรรมพุโทโธนึกเดินออกมหายใจก็แต่การคิดนี้มันก็อาจจะทําให้ใจหายฟุง้งซ่านอาจจะฟุ้งซ่านกับเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, น, น, น, นี้พอมาคิดถึงการแก่เจ็บตายเรื่องสุภาพนั่นก็ทําให้หายฟุ้งซ่านได้ แต่มันยังไม่รวมไปนับปัญญาสมาธิคุณสราวุธครับเป็นคนชอบใส่บาตร ท, ทาบุญสวดมนต์ไหว้พระทําไมผมจึงเจออุปสรรคมากมามีความทุกข์ทางจิตใจมากจนบางครั้งท้อแท้ว่าผลบุญที่เราทําไม่จึงไม่ช่วยเราเลยครับมันไม่เกี่ยวกันนะความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากบางทีทําบุญใส่บาตรอาจจะส่งเสริมความอยากก็ได้อยาก ไ, ได้นู่นอยากได้นี่ เนี่ยอย่างที่มาหมดเนี่ยทํำไมผมทําบุญสายบาแล้วผมอยากทุกข์อยู่เพราะคุณคิดว่าการทําบุญสายบาสจะทําให้คุณหายทุกข์คุณอยากให้มันหายทุกข์จากการทําบุญสยบาสไม่หายหรอกเพราะมันคุณทําบุญสยบาสด้วยความอยากต้องคุณต้องคุณทาบุญด้วยการละความอยากเช่นไม่อยากได้กันมากไปกว่า น, นี้มีกันเท่านี้ถ้ามีมากกว่ากว่านี้ก็เอาไปทําบุญสยบาสให้หมดถ้าอย่างเนี้ยคุณก็จะละความอยากได้ลงในส่วนหนึ่ง คือความอยากได้เงินทองคุก็จะไม่ไปทุกข์กับเรื่องเงินทองเวลาคนไม่ได้เงินมาเพราะคนไม่มีความอยากได้แล้วคุณพอแล้วกับเรื่องเงินทองอันนี้มันบางทีมันไม่เกี่ยวเกี่ยวเรื่องทําบุญหรือไม่ทมําบุญเนะมันเกี่ยวว่าอเกี่ยวกับความอยากไม่ไม่อยากของเรามากกว่าความทุกข์ใจ คุณโอ๋ครับเมื่อก่อนไม่เคยเลี้ยงสัตว์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นหมาแมวแค่เดินผ่านนกยังไม่ทันใกล้นกนก็บินหนีหมดเหมือนนกเหมือ น, ม, นมันกลัวแต่พอปัจจุบันถือศีลห้านั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันสองปีกว่าจะสามปีแล้วสังเกตว่าเดินผ่านนกเขาไม่บินหนีแล้วนกหมาแมวเขา อ, อยู่นิ่งยอมเข้าใกล้ยอยากราบว่านี่เป็นผลจากการรักษาศีลใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือ น, อนกันว่าคุณรักษาศีลแล้ว ก, กรย า, กายการของคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่า เราสัตว์มันก็จะมาดูปิริียอาการของเราว่าเป็นภัยกับเขาหรือเปล่าถ้าเราไม่จะแสดงอาการเป็นพิษเป็นภัยกับเขาเขาก็จะไม่ไม่ไม่หนีเราเขาก็จะไม่กลัวเราแต่ถ้ า, ถาเรามีแสดงอาการท่าทางว่าเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายกับเขาเขาก็อยากเขาก็ยังไม่อยากจะเข้าใกล้คุณวรัฐยาครับเมตตาในพรหมวิหารสี่ รักเมตตาแต่ไม่ผูกพันทําอย่างไรคะรักเมตตาแต่ไม่ผูกพันโยมตัดความผูกพันไม่ได้ครับก็แบบที่เราเมตตาคนที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่ผูกพันกับเขาใช่ไหมคำว่าเมตตาไม่ได้หมายความว่ารักนะความจริงมันมายถึงให้เรามีความความความเป็นเป็นมิตรกับเขาคาว่าเมตตานี่มันจากคําว่ามิตรภาพให้เรามีความมิตรภาพอย่าไปเกียดชังเขาอย่าไป ทำร้ายเขาอยากไปเบียดเบียนเขาให้ความสุขกับเขาได้ก็ให้ไปอันนี้คือไม่ได้หมายความให้ไปรักแบบรักรักเขาชอบเขายังไม่ใช่คนละเรื่องกันเมตตาไม่ได้หมายความในความรักเมตตาหมายถึงการการให้ความให้ความเป็นมิตรกับเขาไม่ทำยินดีต้อนรับเขายินดีรู้จักกับเขายินดีเป็นเพื่อนเขาอะไรทำนองนี้ คุณคนเท่าครับวิธีกำจัดนิวรณได้อย่างไรครับก็มันหลายมันก็มีแต่นิวรณแต่ละตัวมันก็ต้องแก้โดยวิธีต่างกันเช่นถ้าสงสัยเนในสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ต้องศึกษาให้มากขึ้นศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้มากขึ้นก็จะรู้เรื่องมากขึ้นความความสงสัยในตัวพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะน้อยลงไป ถ้าเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเช่นอยากจะเสพการก็ต้องพิจารณาสุภาพิตดูความไม่สวยงามของร่างกายถ้าเราเกิดความโกรธก็ให้แผ่เมตตาให้ให้อภัยให้เอาความไม่ให้อภัยมาใช้โกรธใครก็อาะยกโทษให้เขาไม่ถือสาความโกรธก็จะดับได้แล้วก็ถ้าเราโมวหนอนก็เป็นเพราะเรากินมากก็อยากกินให้มันมากถึงศีลแปด อนี้กินมื้อเดียวทำนอนนี้มันก็จะทําทให้คลางง่วงนหายไปหรือถ้ามัออนอ่อนอาหารไม่ได้ก็จะฝึกสมาธิก็ต้องไปนั่งที่มันน่า ก, กลัวไปนั่งที่ในป่าช้าอย่างนี้มันก็จะไม่ง่วงไม่มมง่วงเหาเหานอนแล้วที่เราฟุ้งซ่านคิดมากเพราะว่าเราไม่มีสติคอยกำกั บ, ก, บก็ต้องพยายามมันฝึกสติอยู่บ่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจคิดโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องคิด ไปอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแทนความผู้สร้างก็จะถูกระงับได้อันนี้คือห้าวิธีของการกำจัดนิวรา์ห้าชนิดด้วยกันคุณนาลึนาดครับกรณีไปเกิดเป็นเทพบนสวรรค์เขาสามารถแบ่งจิตบางส่วนมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาบําเพ็ญประโยชน์ในโลกมนุษย์ได้ไหมครับเขาไม่แบ่งนะเนี่พอมุลที่ส่งไปเป็นแทพแล้วมัหมดกําลังก็ลงมาเกิดทั้งจิตทั้งดวงจิตมันแบ่งไม่ได้ คุณสติครับพ่อแม่ที่ตามใจกิเลสลูกจนตัวท่านเองเดือดร้อนห่วงลูกจะไม่มีเงินใช้แต่ไม่ห่วงลูกจะได้รับผลบาปเราเป็นลูกท่านคนหนึ่งเห็นท่านเป็นทุกข์ถูกกระทําหนูพยายามวางใจนิ่งเสียเพราะไม่รู้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะตักเตือนท่านเพราะท่านไม่ได้ถามค่ะหนูมีลูกเองเหมือนกันการเลี้ยงลูกด้วยเมตตาแต่ขาดปัญญาเหมือนส่งเสริมให้ลูกทําความชั่วหรือไม่ครับเ ร, เราต้องรู้ว่าการส่งเสริมนี้เป็นการให้เขาทาความดีหรือให้เขาทาความเชื่อ ถ้าให้เงินเขาแล้วเข้าไปซื้อหนังสือมาอ่านนี้ก็ให้เขาไปได้แต่ถ้าให้เงินเขาไปแล้วเขาไปซื้อยาเสพติดมาเสพแล้วก็ต้องไม่ให้เขาแล้วก็ต้องดูการกระทําของเขาที่เกิดจากการให้อะไรของเราไปให้กับเขาไปถ้าเขาไปในทิศทางที่ที่ดีมีคุณประโยชน์แล้วก็สนับสนุนเขาถ้าเขาไปในทิศทางที่เป็นโทษกับเขาเองเมื่อกับผู้เราก็ต้องไม่สนับสนุนเราต้องห้ามปรามไม่ใช่เราเอาเกณฑ์ใจเอาใจอย่างเดียวอยากให้ลูกมีความสุข ลูกจะรังแกใคก็สนับสนุนลูกลูกจะด่าคนใช้ว่าเก่าพูดคำหยาบ ก, กับคนใช้ก็ ส, ส่งเสริมทีนี้ลูกก็เสียคนนเยอะนะคุณสุกครับสังเกตว่าการทําสมาธิในท่านอนโดยไม่หลับใจจะนิ่งและสงบกว่าการทําสมาธาิสมาธิในท่านั่งหรือเปล่าครับอ่าก็ลอ ง, ลอ ง, ลองทำอยู่ซ์สงบดีกว่านั่งก็นอนสงบไปก็ได้นอนสมาธิไปก็ได้ แต่คนนอนในท่าสีหา์สา ย, ยานนะพระพุทธเจ้านอนตะแคงขวาครับคุณไพโรธครับเนียนถามพระอาจารย์เวลาถ่ายหนักถ่ายเบานึกถึงพุทโธเป็นการไม่ข้อลบหรือเปล่าครับไม่หรอกมันก็เป็นการจลนงสติต่อไปอย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่ออกเสียงถ้าไม่ออกเสียงคนอื่นเขาได้ยินเขาอาจจะหาว่าเราไม่มีความข้อลบก็ได้ คุณทิทารีครับได้ยินว่าสวดบทพาหุงมหากาไม่ควรสวดเพราะเป็นการสราบแช่งจริงหรือไม่ครับไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องพาหุงมหากาเป็นยังไงไม่รู้คุณคลองสติครับมีความรู้สึกไม่อยากไปร่วม ง, งานเลี้ยงงานเลื่อนเริงรู้สึกเบื่อนหน่ายและคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะมีแต่การกินหัวเราะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้สรุกสนานเราควรจะวางจิตยอย่างไรครับ ถ้าเราไม่อยากไปก็อย่าไปสิเราก็ไปทํางานไปทําในสิ่งที่เราชอบถ้าเราชอบไปนั่งสมาธิคนเดียวเราก็ไม่นั่งสมาธิแทนนั่นเองงานไหนปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปไม่ไปร่วมด้วยแต่ก็ต้องพร้อมที่จะรับผลกระทบก็คต่อไปก็อาจจะไม่มีใครมาเชิญเราไปไหนต่อไปก็ได้คุณครัฐไกลครับ นั่งสมาธิไปยี่สิบนาทีแล้วขาเป็นเน็บควรเปลี่ยนท่าหรือนั่งเวนาวเวทนาครับอ๋อถ้าอยากจะผ่านเวทนาก็ต้องนั่งต่อไปถ้าอยากใช้ใจสงบก็ต้องพยายามใช้คำบริกรรมไปเรื่อยๆถ้าเราอยู่กับคำบริกกรรมได้บางทีไม่นานเวทนาก็จะหายไปจิตก็จะสงบมีความสุขเกิดขึ้นทันทีคุณแม็กครับจะสอนลูกเรื่องธรรมะและศาสนาพุทธ เด็กอายุสิบขวบอยู่ไอแลนด์ครับสอนเรื่องทานศีลห้าและสมาธิสอนพุทธประวัติน้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนตั้งแต่เกิดมาครับก็ดีสอนพุทธประวัติให้เขาได้ศึกษาพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนเรื่องของความเมตตาให้เขามีความเมตตาปอยให้เขามีการเสรียสละทำบุญทำทานไม่เบียดเบียนพูดรักษาศีลห้าอันนี้ก็เป็นขั้นพื้นฐานที่สามารถสอนเด็กได้ คุณนุชครับพระอาจารย์ครับเวลามีคนมาพูดไม่ดีกับเราว่าร้ายนินทาหนูควรทําใจให้ไม่ไปทุกข์กับสิ่งนั้นอย่างไรเครับก็เราห้ามกับไม่ได้เนี่ยเราห้ามกับไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะเราอยากจะให้เขาพูดแต่เรื่องดีๆกับเราพอพูดเรื่องไม่ดีของเราเราก็เลยทุกข์ใจเราก็ต้องพิจารณาว่าเราไปควบคุมบังครับห้ามกับไม่ได้มันเขาเป็นเหมือนลมพัดเงี้ยเวลาลมจะพัดล้วก็ ทำให้นมหยุดไม่ได้ก็ปล่อยมันพันไปส่วนจริงไม่จริงนี่ด้อีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาพูดเรื่องไม่ดีที่เป็นความจริงเราควรจะยกมือไหว้เขาเพราะเขาชี้ขุมซรัพย์ให้เราเห็นว่าเรามีข้อบอกพร่องตรงนี้นะเราควรจะแก้ไขเพราะบางทีเรามองไม่เห็นเรามักจะมองไม่เห็นความผิดของเราเรามักจะเห็นแต่ความดีแต่ความไม่ดีของเราเรามักจะไม่ยอมมองกันเราถึงน้ออาศัยคนอื่นคอยสอนคอยเตือน ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็คอยจะชี้ความผิดให้ของเราให้ให้เราเห็นเพื่อเราจะได้แก้ไขอย่งนั้นถ้าเขาบอกความจริงว่าเราไม่ดีตรงนั้นตรงนี้เราต้องขอบคุณเขาเพราะเขาเป็นเหมือนกระจกสองหน้าเราเวลาก่อนเราจะออกจากบ้านเราต้มาใส่กระจกดูหน้าเราก่อนใช่รับเราไปกดกระจกนั่นเถ้ากระจกบอกว่าตรง น, นี้มีเสิวมีฝ้าตรง น, นี้อเขียนเล็บสติกแล้วเบี้ยวอย่างนี้เราต้องขอบใจกระจกใช่ไหมเออใช่ใช่ใช ต้องมาแก้หน่อยแต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงที่เป็นกระจกที่มันบิดเบือนความจริงแล้วก็อย่าไปเราก็บอกไอ้กระจกนี้ไม่ดีเปลี่ยนกระจกไปดีกว่าเพราะมันไม่ได้พูดความจริงมันไม่แสดงความจริงให้เราเห็นก็เหมือนกันถ้าคนเขาชมเราหรือด่าเราถ้ามันไม่เป็นความจริงแเราก็ต้องเฉยๆไปแสดงว่าเขาไม่ได้พูดความจริงอแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ ก็เดินหนีไปก็แล้วกันคุณวิสิทตครับนั่งสมาธิคอชอบตกหลังโค้งเราจะแก้อย่างไรครับปวดคอปวดหลังครับมันส่วนใหญ่เป็นเกิดจากการไม่มีสตินะเพอะไม่มีสติมันก็คอพับได้นั่นต้องฝึกสติให้มากๆเวลานั่งสมาธิต้องมีสติถ้าถ้าพุโทโธก็ต้องพุโทโธอย่าหายต้องพุโทโธไปตลอดจนกว่าจิตจะสงบ ถ้พุทธเริ่มตน้นแคพุโทโธสองสามครั้แล้วก็หยุดพุดโทโธเนี่ยมันก็ขอพับนะคุณแว่นครับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องให้ทานยังคิดที่ว่าพระพุทธเจ้าให้ทานลูกทั้งสองคนหรือไม่ครับหมายถึงพรเวชสัญญอนใช่ไหมน่าจะใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเวชสันญอนท่านต้องการสร้างบา ร, รมี ท่านก็ถือว่าเป็นการทดสอบจิตใจท่านเป็นข้อสอบของท่านท่านก็อยากจะสอบผ่านนะเอามาขอให้เอาไปเลี้ยงนี่กเไม่ได้ไปทำรุนทําผลร้ายอะไรก็เอาไปสิไม่ว่าเลยคุณสลาวุธครับผมฟังธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มามากทําไมผมจึงละกิเลสไม่ได้สักตัวครับาะฟังอย่างเดียวไม่พอไงต้องเอาไปปฏิบัติ ต้องปฏิบัติสมาธิต้องปฏิบัติศีลสมา ธ, มาธิปัญญาถึงยละกิเลสได้การฟังอย่างเดียวนี้เป็นการเหมือนดูแผนที่ยังไม่ได้ไปออกเดินทางดูแผนที่แล้วต้องเริ่มออกเดินทางถ้าเดินทางไม่หยุดนีก่ก็ถึงจุดหมายปลายทางคุณแดงครับนั่งสมาธิแผ่บุญได้ไหมครับคือส่วนใหญ่าการ น, นั่งสมาธิของเรามากักจะไม่เกิดผลยังไม่เกิดบุญ เป็นการฝึกเป็นการเรียนเป็นการฝึกขัดอยู่ยังไม่ได้ผลดงนั้นถ้าอยากจะแผ่บุญนี่ควรจะแผ่บุญด้วยการทําบุญทำทานเพราะมันเกิดผลทันทีเวลาบริจาคเงินให้กับวัดหรือองค์กรใดก็ตามใจก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีบุญก็คือความสุขใจแผ่ได้ทันทีนั่งสมาธินั่งมาแล้วต้องนานยังไม่สุขใจนี่ไม่มีทุกใจรู้สึกทุกทรมานใจใช่ เราจะเอาบุญที่ไหนไปแผ่ให้กับเขาคุณควัญตั้มครับหากบุปการีมีนิสัยส่วนตัวไม่ดีแต่ตัวเราไม่ได้เพิกเฉยต่อความกระตันยุกระตะเวทีเราควรวางใจวางอารมณ์อย่างไรครับบุปการีเพราะตัวไม่ดีหรือไม่ถูกต้องครับขอความเมตตาครับนั่นก็ต้องแยกบุปการีเป็นสองส่วนส่วนที่เขาไม่พ่อคุณกับเราะส่วนที่เขาทาตัวไม่ดีนั้นก็เรื่องของเขาไป การทำโจมไม่ดีของเขาไม่ได้มารบเร้างพระคุณที่เขามีต์ต่อเราเราก็เลยต้องยังมีการตอบแทนบุญคุณอยู่มีความกตัญญูกตวเวทีอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่<ม>เพราะว่าพอพอก็ไปทําไม่ดีมิรายขึ้นมาแล้วก็อ้านเห็นว่าต่อบวันนี้ไม่ต้องตอบแทนบุญคุณแนละ้วเขาเป็คนไม่ดีแนละ้วบุญคุณที่เขาเมตต์เราหมดแนละ้วไม่หมดต้องแยกแยะนะบางคน ถูกกิเลสเราเองกิเลสไม่ชอบตอบแทนบนคุณใครมันอยากจะได้อย่างเดียวมันไม่อยากจะเสียพอมีเหตุที่จะทําให้มันไม่ต้องเสียมันก็มันก็อ้างเหตุ น, นั้นขึ้นมาทันทีคุณวิทวัตครับผมรู้สึกไม่มีเมตตากับใครเวลาตัวเองหรือใครก็แล้วแต่ทําประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยรู้สึกยินดีกับเขาหรือตัวเองและไม่ได้รู้สึกไม่ดีได้แต่รู้สึกเฉยเฉยต้องแก้อย่างไรครับ ถ้าเฉยๆก็ไม่ต้องแก้อะไรไม่ไม่ไมยินยันล้าก็ใช้ก็ใช้ได้ไม่เสียหายตรงไหนคุณหลินหลินครับหากจะสอนธรรมะผู้อื่นแต่ยังแต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้สามารถสอนธรรมะผู้อื่นในแบบปุถุชนได้ไหมครับความจริงไม่ควรไปสอนใครนอกจากเข้ามาขอคำแนะนำํำแล้วก็สอนไปตามกาลังของเราเท่าที่เรารู้แตถ้าอยู่ดีๆอย่ามาตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนธรรมะอย่าเพิ่งทําไหยถ้าเรายังไม่หลุดพ้นถ้าเรายังไม่สําเร็จ เหมือนย่าเพิ่งไปเป็นหมอเลยถ้ายังเรียนไม่จบหมอมนเป็นรักษาคนไข้แต่คนไข้ตายเสีมากกว่าคุณอู๊ตครับพอดีมีญาติเรียนสมาธิเขาบอกว่าทําสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตเป็นคำพูดที่ถูกต้องไหมครับก็พลังจิตที่แท้จริงก็คือมีความสงบนั่งมั่นนิ่งเฉยนี่พลังของจิตอุเบกขา คุณแดงครับสวดมนต์หลับตาทําได้นานครับแต่เวลานั่งสมาธิพุทโธแป๊บๆจิตฟุ้งมากมีที่อื่นไหมครับก็นั่งสมาธิแบบสวดมนต์ไปเลยท่านี้ใช้พุทโธก็ใช้บทสวดมนต์นั่งในท่าขัดสมาธิไปแล้วก็สวดมนต์ไปก็เป็นการทําสมาธิโดยถ้ารู้สึกจิตไม่ฟุ้งก็ลองมันพุทโธหรือมันดูลงหายใจต่อก็ได้แม้มันสงบมากกว่านี้ต่อไป คุณชัยครับขออนุญาตสอบถามคามถามตอ่อเนื่องจากการคำถามนั่งสมาธิท่านั่งนะครับถ้านั่งขัดสมาธิจะเป็นการตีตนเสมอองค์สมสมาสมุภเจ้าหรือเปล่าครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันการนั่งสมาธินี่ก็เป็นเป็นการฝึกขัดตามคําสอนของพระเจ้าจะเป็นตีตนยังไงท่านสอนให้เรานั่งแบบนี้กันทั้งวันท่านสอนให้เราปฏิบัติ คุณสมพรครับโยมได้ข้อธรรมะจากพระอาจารย์อย่างสม่ำเสมอจากการฟังธรรมะของพระอาจารย์ตอนไลฟ์สดตอนบ่ายสโมงบ้างจากการฟังธรรมะของพระอาจารย์ได้ได้ถ่ายทอดสดไปเรียบร้อยทําให้ใจโยมสงบและมีความสุขจิตใจมีสมาธิและสงบแต่จิตจะไม่สงบสงัดเหมือนมาปฏิบัติธรรมถือในคขมมะที่วัดยานจิตจะสงบสงัดชัดเจนกว่าทําไมจิตจึงรู้สึกสงบและสงัดต่างกันทนั้งที่เป็นการฟังธรรมเหมือนกันครับ เพราะมันเวลาเราปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แต่ช่วงเฉพาะที่เราฟังธรรมอย่างเดียวหลังจากเริ่มฟังธรรมล้วก็ไปเดินสมาธิเดินตรงกรมนั่งสมาธิต่อแล้วบรรยากาศในในว่ามันก็ต่างจากบรรยากาศในว่นัดมันมิเวกต่อกันอยู่วัดเสียงลบคนเหตุการณ์ลบคนจิตใจมันน้อยกว่าบา ค, คนอย่างนี้ยอมมานั่งฟังธรรมที่หน้ากุติเรา เขาบอกว่าฟังธรรมที่บ้านกันมาฟังธรรมที่นั่งปกติมันได้ผลต่างกั น, นเพราะหนึ่งเวลานั่งที่นั่งปกติคนอื่นเขาจะนั่งสงบกันเราก็เลยต้องพยายามนั่งสงบกับเขาตามเข้าไปด้วยอาศัยคนอื่นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวบังคับเราแต่ถ้าเรานั่งอยู่ที่บ้านเดี๋ยวถ้าเกิดเรานั่งไปแล้วไม่อยากจะฟังเราก็ลุกขึ้นไปทําอะไรอย่างอื่นได้คุณกันนัทครับ เวลาสวดมนต์ทุกครั้งควรต้องสมาทานสีนทุกครั้งไหมครับไม่เกี่ยวกันนรื่วนมนต์ก็สวมดมนต์ไปสีนก็คือถ้าเราต้องการรักษาศีลแล้วก็สมาทานถ้าเราถ้าเราสมาทานแล้วเรารักษาโดยที่ไม่เรื่อง ร, รักษาก็ไม่ต้องสมาทานหรือสมาทานของเดียวก็พอคุณธัญพรครับเคยได้ยินมาว่าถ้าเราไม่ชอบใครก็อย่าไปยุ่งกับเขา แต่หากเราจําเป็นต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันเจอกันแทบทุกวันติดต่อ ง, งานกันเสมอทําอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกันได้ครับถ้าให้ความเมตตาเขาได้ก็ให้ความเมตตาเข้าไ ป, ปมันเมตต์จากเขาทําตัวให้เป็นเมตต์เช่นมีของมาฝากเขาอยู่เรื่อยๆวันนี้ไปเที่ยวที่นั่นซื้อขนมมาฝากพี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ทําตัวให้เป็นสันตคลอดครับก็จะอยู่กับเขาได้อย่างสบายเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุข เขาได้ของฝากเขาก็ได้ความสุขจากการให้ได้ฤมิ์สภาพไดให้สายแม่ตาสันตะเอศเป็นที่รักของทุกคนจริงๆครับนะอาจารย์เด็ก น, นิดเดียวรรเลยต้ <c oughs> จากสันตะคอศเลยเจริญมาแค่ปีละครั้งเท่งนี้น่า <c oughs> จะเป็นสันตะเครทุกวันนีคุณใบยก ค, ครับ การนั่งสมาธิได้45นาทีถึง1ชั่วโมงแต่รวมจนเข้าสู่สภาวะที่รู้เฉยๆกับนั่งนานๆแต่ไม่รวมผลที่รวมดีกว่าเรื่องของเวลาใช่ไหมครับใช่มันอยู่ที่ความเร็วความสงบมอนนอนหลับนอนหลับนอนนอนหลายชั่วโมงแต่นอนไม่หลับคนที่นอนแค่ครึ่งชั่วโมงก็หลับเนี่ยผลมันต่างกันคุณขวัญครับ การอุทิศบุญที่ได้ใส่บาททุกเช้าด้วยการอธิษฐานจิตถึงผู้ที่เราส่งบุญให้จําเป็นต้องไปกรวดน้ําอีกหรือไม่ครับไม่ต้องอันนี้เป็นการกวดน้านี้มันเป็นอุบายสอนให้คนเห็นว่าน้ำนี่เป็นเหมือนกับเป็นบุญเราเทน้ำจากภาชนะหนึ่งก็ส่งบุญจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งท่านหนึ่งจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามครับถ้าคารวาสบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหรันต เขาจะยังําอาชีพที่ท่านทำอยู่ได้ไหมเพราะการทํางานทางโลกมีแต่ปัญหาแล้วท่านไม่ได้ต้องการเงินครับ เ, ออเขาไม่ทําน้วนะเขาไม่บวชกันนะในสมัยพุทธก า, พ า, าลพอใครคารวะคนไหนบรรลุธรรมก็ ข, ขอบวชกันนะไม่มีใครเขจะอยู่ในสังคมของคนที่มีกิเลสแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้มันน้ํากับน้ํามันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ดไได ค, คุณสุวรรณีครับ ถ้าเราพิจารณาร่างกายว่าเป็นดินน้ำลมไฟอยู่เรื่อยๆจะสามารถละสักกายทิฏฐิได้ไหมครับก็ลองทำดูเลยต้องทำดูวราปล่อยวางร่างกายแนละ้วมันมันแค่ดินน้ำลมไฟมันจะแตกแยากก็บว่อยมันแตกแยกไปคุณปอกระเพาครับเวลานั่งสมาธิที่บ้านไประยะหนึ่งแล้วได้ยินเสียงคนในบ้านปิดประตูเสียงดังตกใจมากใจสั่นมากต้องแก้อย่างไรครับ ก็ใรู้ว่าใจเรายังไม่มีสติพอยังไม่นิ่งพอวยายาฝึกสตินั่งสมาธิต่อไปถ้ามีสติมากขึ้นใจก็จะไม่มีปฏิกิริยาน้อยลงไปอันนี้ใจเรายังเป็นเหมือนนุ่นอยู่เบาใจเบาพอเรามีกระทบหนกอยก็เกิดปฏิกิริยาทันทีแต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิไปต่อไปใจจะมีความหนักแน่นเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปจะสามารถเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ อาจารย์ครับเวลาที่นั่งเข้าฌานไปลึกขึ้นเรื่อยๆนี่เสียงนั้นจะเบาลงไปเรื่อยๆด้วยใช่หมครับใช่มือนเราไเข้าไปในถ้าเลยเวลาเข้าไปในถ้ ำ, เ, ถำเสียงที่อยู่นอกถ้ำมัมนก็จะรู้สึกห่างไกลไปเรื่อยๆพอเข้าไปเมือ่อย า, อยา น, นเสียงก็หายไปเลยไม่รับรู้เลยจิต ก, ก็สงบอยู่กับความสงบไป คุณสมพรครับโยมทำทานถือศีลหกศีลเจ็แต่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิไม่ได้ทำภาวนาโยมจะได้ข้อธรรมะถึงระดับไหนครับในแง่การปฏิบัติธรรมครับถ้าถือศีลได้ก็ป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายได้ถ้าเราไม่ทำบาปตายไปยวงวิญญาณของเราก็จะไม่ไปเกิดในอบายมันไปเป็นเดราาัจฉานหรือเปรตอสุ ร, รกายหรือไปตกนรกเราก็จะไปกลรมเกิดเป็นมนุษย์ทันที แต่ถ้าเรานะทําบุญทําทานอนนี้ทำบุญทําทานด้วยไม่รักษาศีลด้วยก็ตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนพอลงจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อแต่ถ้าเราภาวนาเราก็จะไปสวรรค์ชั้นสูงกว่าสวารรค์ที่ได้จากการทําทานอยู่สวรรค์ชั้นชั้นพรหมในในสมาธิเราก็จะอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมถ้าเราได้ปัญญาเราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นของพระอริยเจ้า ของพระโสดาบันพระสกิดาคาภาะอาหารตามลําดับต่อไปคุณอู๊ดครับปกติทําสมาธิประมาณวันละสองครั้งครั้งสามสิบนาทีวันละสองเวลาเช้าเย็นโดยบริกา ร, รพุโทโธกําหนดจิตไว้ตรงหนาา้าผาพอเพิ่มเป็นครั้งที่สามตอนทเที่ยงจิตจะเป็นเศร้าและปวดศรีรษะเกิดจากอะไรครับเป็นใจกิเลมันต่อต้า น, มนไม่เคยทนะําในช่วงนี้กิเลมันเคยคลองความพื้นที่อยู่ พอเราจะไปไล่มันมันก็เลยต่อต้านต่อสู้กันสร้างอารมณ์บุญเบี้ยวขึ้นมามาขวางเราแล้วก็ต้องอดทนอย่าไปสนใจแล้วก็ทําเหมือนตอนที่เราทําตามปกติต่อไปเดี๋ยวเมื่อสติเรามากขึ้นมากขึ้นกําลังต่อต้านของที่เหล็กก็จะเบาลงเบาลงอาการเหล่าเนี้ก็จะหายไปนี่สมพรถามเรื่องวัดยานกับวบ้านปาดวัดไหนมีป่ามีต้นไม้มากกว่ากันครับพระอาจารย์ครับ ก็ไม่ได้เป็นทับนะไม่รู้เหมือนกันะแต่บรรยากาศที่วัดป่ามั่นตามันสงบกว่าเพราะวัดป่ามั่นตา้งเป็นวัดปิดมีรู้วนอกขอบชิดคนเข้าออกไม่ได้แต่วัดยานที่เป็นวัดเปิดมีถนนวิ่งผ่านกลางวัดเลยแล้วก็มีต้นมาเยอะแต่ก็มีรถบารวิ่งผ่านรถหมอตัวไซน์รถอะไรวิ่งไปทังเกตเวลาเราแสดงธรรมบางทีรถมันมาจากไหนไม่รู้มันฮึมฮึม ไม่ถ้ามกบเสียงเราเราก็หยุดพูดรอให้มันวิ่งไปผ่านนั่นไปก่อนน้ำความสงบในนิมนยานมันสงบชื่ววัาร้อนต า, มนตามไม่ได้แต่ตนน้นไม้ค่ะจะมีพอๆกันเพราะว่านินต์ยานก็ปลูกตนน้นไม้กันเยอะคุณพัดครับถ้าเป็นหัวหน้างานแล้วเราเป็นคนยังไงก็ได้เพราะอยากปล่อยวางแต่ลูกน้องทํางานไม่เรียบร้อยแอบกลับไปก่อนเวลาหรือไม่มาทํางานไม่เชื่อฟังควรจะวางใจหรือทําอย่างไรครับ เราก็ต้องแยกความเป็นส่วนตัวของเรากับหน้าที่การงานของเราเรงงามีทนเล่นได้นี่ก็เป็นส่วนตัวของเราแต่เวลาทํางานเราก็ต้องมีกฎมีระเบียบมี ก, กฎกติกาแล้วก็เป็นเหมือนกรรมการที่ต้องคอยควบคุมให้ทุกคนเล่นตามกฎกติกาไปและนี่เราต้องแยกแยกส่วนที่เป็นส่วนตัวออกไปออกจากส่วนที่เป็นการทํางานทำการเหมือนเล่นกีฬาเนี่ยเล่นกีฬาเ้าก็ต้องเป็นไปตามกฎ ของกติกาของการเล่นใช่ไหมครับจะบอกสบายๆเล่นไม่มีกฎกติกามันก็เล่นไม่ได้คุณแจด๊ดครับทําอย่างไรดีครับมีเพื่อนยืมเงินไปแล้วไม่คืนทําให้เราทุกข์แต่ก็สงสารเขาทําให้ช่วยเขาก็จะไม่มีเงินกินใช้ครับคิดว่าเป็นเงินทําบุญทําทานไปก็แล้วกันเรื่องเงินถูกขโมยไปก็แล้วกันมันไม่กลับมาแล้วอ้อยเข้าปากช้างแทีนี้ บุญแสงได้ครับสวดมนต์เช้าเย็นแต่ทําบุญน้อยจะล้างบาปที่เคยทํามาได้ไหมครับไม่ได้นะั้นะบุญทุกชนิดล้างบาปไม่ได้เพงแต่ไปต้านไปต้านบาปได้ถําบุบุญมากกว่าบางทีบาปอะอยังส่งผลไม่ได้ต้องรอให้บุญส่งผลก่อนถ้าบุญมีกาลังมากกว่ามีคำถามที่บ้านตากันแล้วครับอา <laughs> จารย์เคยเห็นหลวงปู่ทองอินกระตะ บ, บุญโยไหมครับตอนที่อยู่บ้านตากครับ ไม่เคยนะไม่ทราบเป็นใครมี In i. แต่ถ้าอาจารย์อินถวายแหลวงปู่ทองหินนี้ถ้าท่านไม่ได้อยู่ที่วัดป่ามันตั้นั่นอา จ, จะไปกราบหลวงตาปเป็นเป็นครั้งเป็นขาน่าวอะไรอย่านี้ท่านที่อยู่ที่นั่นส่วนใหญ่ภาพผู้ใหญ่ไม่เคยไปภาพอยู่ที่นั่นนอกจากภาพผู้ใหา่ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเป็นหลวงหลวงงปู่เล่ลงปู่บุญนีเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ติดตามหลวงตามาตั้งแต่บวชเนี่ยท่านก็อยู่กับท่านมาตลอด แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะมาม า, มาเงียบมามาช่วงห้าช่วงกาวันอะไรมาเนีย ม, มาพบกันนะแ ล, แล้วแยกกันไปสมัยพระอาจารย์อยู่มีพรงกี่องค์นะครับพอาจารย์ช่วงนี้เราไปใหม่ๆมีประมาณสิบเจ็ดสิบแปดูปพรรษาละแล้วต่อมาท่านก็มาจารย์รับเพิ่มเป็นยี่สิบยี่บสองตอนที่เราออกมาตอนนั้นยัสังยี่สบหกรยี่สิบห้ายิบหกแล้วตอนหลังที่ได้ทราบว่ามีถดงห้าสิบหกสิบขน ถ้าไม่อยากจะรับมากท่านบอควบคุมนำ้ำบำบัดรักควบคุมคุณภาพบำบัดกว่าปริมาณมากแล้วมันยูวนานไม่ทั่วถึงใช่ไหมช่วงช่วงยุ่งง่านนี้ฉันจะไม่รับภาพมากจะเลือกแค่เน่แต่หัวกะทิให้อยู่พวกที่ไม่ใช่เป็นหัวกะทินี้ท่านให้ไปอยู่ที่อื่นพวทอยู่สถานสติสตางไมะะ่ค่อยดีถ้าไม่รับไว้แต่ต่อมาคุูบาอาจา ร, รย์ล่วงลอยไปเยอะ กนก็ไม่มีที่พื่งท่านก็เลยเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นไปคุณธนพลครับปรารถนานิพพานในชาตินี้ถ้าไม่ได้บวชนิพพานได้ในภาตปัจจุบันได้หรือไม่ครับและจะต้องตายหากไม่บวชมีคำสอนเจ้าตัดสอนไว้อย่างไรครับไม่มีหรอกเป็นถ้าเมตตาวานแล้วถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็บรรลุถึงนิพพานได้ ถ้าปฏิบัติตามสูตรพระสูตรของในสติปัฏฐานสูตรก็บรรลุได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเมื่อบรรลุแล้วก็ไม่ต้องบวชก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนที่บรรลุเขาก็จะบวชกันทั้งนั้นน่ะมันก็จะอยู่เป็นชาลว่าไปทํำไมเพราะมันเป็นคนละมันไม่ได้เป็นน้ำแล้วมันเป็นน้ํามันแล้วน้ากับน้ำมันมันก็ไม่อยู่ร่วมกันมันแยกกันมันแยกกันอยู่คนนี้ไม่มีกิเลสคนที่ไม่เสกการมมันอยู่กับพวกคนเสกการมได้ไ คุณสิริครับกรรมฐานสี่สิบมีจุดประสงค์เดียวกันคือตัดความอยากใช่ไหมครับก็เป็น<อ>เป็นวิธีหยุดความคิดตัดความอยากทั้งสองอย่าง<อ>เป็นทั้งอุบายของสติทั้งอุบายของปัญญาครับคุณออนนี่ครับกิเลสความอิจฉาน้อยใจจะวางใจอย่างไรครับก็ ก็อย่าไปเฉาเพื่อนก็มองว่าคนเรามีบุญมีกรรมมาไม่เท่ากันกันแล้วกันโบราณก็บอกแข่งก็แข่งเยอะพอแข่งกันได้แต่แข่งเรื่องบุญวาสนาบารลีนี้แข่งไม่ได้เพราะอยู่ที่การสะสมมาในอดีตบางคนก็สะสมบุญบาลีมาเยอะเขาก็ได้ดีได้ดีกับเราสวยกับเรารวยกับเราเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอันนี้ไย แล้วฝึกรู้นิจตาจิตคนใจเยินดีกับคนที่เขาดีกับเราเก่งกับเราอย่าไปอิจฉาเขาก่อนนั้นอยากจะเป็นเหมือนเขามากกว่าก็มีแต่สร้างบุญบรารมีสนระ้าติก่อนไม่ได้สร้างอย่างว่าชาตินี้ก็สร้างไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวชาติถ้าเราก็าจะได้ดีเหมือนเขาก็ได้ให้คิดเป็นในทางความเป็นจริงขึ้น ด, ด้วยเหตุไม่ผลอย่าใช้อารมณ์คุณประชาครับ ตอนนี้เห็นว่าธรรมะทุกอย่างจะต้องนามาใช้ด้วยปัญญาและสมาธิถ้าขาดก็จะเข้าใจธรรมะได้ยากหรือทำผิดผิดถ้าเข้าใจธรรมะผิดผิ ด, ผดเอาไปปฏิบัติจะเป็นบาปเือไหมครับมันก็ไม่เลยผลนั่นเองไม่เลยผลคุณสุภัตรา บ, บอกว่าสวดมนต์ได้นานแต่นั่งสมาธิไม่ค่อยได้ครับก็เรานั่งสมาธิแบบสวดมนต์สิคือไหมครับ เรานั่งสมาธิเราสวดมนต์แบบใ น, ในท่านั่งสมาธินยับตานั่งขัดสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจก็ถือว่าเราได้ทําสมาธิแล้วคุณเรศแอกอนครับวิธีปฏิบัติสร้างบุญสําหรับคนเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายหรือโรคเรื้อรังขอคําแนะนําครับวัาเกเดคนเราต้องทําในตอนที่ยังไม่เจ็บกายได้ป่วยไม่ใช่มาทําตอนที่เจ็บกายได้ป่วยดังนั้นร่างกายมันไม่พร้อมที่จะทําแล้ว ให้เราจะเล่นกีฬาแล้วฝึกเล่นกีฬาแล้วเรามาฝึกทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่ใช่อยากจะมาตีกอล์ตามที่นอนอยู่บนเตียงก็ทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นคุณสํารวนครับถ้าฝันว่าไปบวชชีกับพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกฝันเห็นต้องไปบวชไหมครับก็อยู่ที่เราอะไรอยากไปบวชก็ไปเลยอันนี้ไม่มีไม่มีกฎ บ, บังคับนะ ไม่ยากเห็นอะไรก็ต้องไปเป็นอย่างนั้นเห็นว่าเราเป็นเศรษฐีเราก็จะลองไปเป็นเศรษฐีหรือเปล่าเป็นได้หรือเปล่ามล้วก็มันอยู่ที่กําลังของเราอยู่ที่เราทําได้หรือเปล่าทำได้ก็ไปทําไปถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับเราก็ทําไปถ้ามันเป็นโทษกับเราก็อย่าทําถ้าเห็นว่าเราฝันว่าเราไปฆ่าคนตายแล้วถูกจับไปขังคุกขังกาางเราเราก็อย่าไปทําอย่างนั้นสิได้ไหม คุณจ้าจ้าครับบางครั้งเวลานั่งสมาธิจิตไม่ได้คิดอะไรแต่นำมาสการค่ะรู้สึกหายใจไม่ออกเลยหายใจติดขัดเกิดจากไม่มีสติหรือสาเหตุอะไรได้บ้างครับถ้าปกติหายใจสบายพอมา น, นั่งสมาธิหายใจไม่ออกก็เกิดจากกิเลสต่อต้านเรามไม่อยากให้เรานั่งมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาหายใจไม่ออกก็แสดงว่ า, าใจเรา สติมีกําลังน้อยก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิทําให้ใจสงบลงอีกระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิต่อโดยการใช้การสวดมนต์เป็นวิธีการไปก่อนคุณปุ้ยครับขอโอกาสถามเรื่องการพูดอย่างมีสติครับรู้สึกว่าทําได้ยากตอนนี้พอมีสติดีขึ้นเวลามีอารมณ์โกรธหลงแต่พอเป็นเรื่องการที่ต้องคุยที่ทํางานกลายเป็นว่าไม่ทันคิดควรสํารวมคำพูดอย่างไรครับ ก็ต้องคิดก่อนที่เราจะพูดให้รู้ว่าเราตอจะพูดอะไร ด, ดูที่ความคิดของเราเพราะการที่เราจะพูดอนะไรได้เราต้องคิดก่อนให้เรามีสติ ด, ดูที่ความคิดของเราคุณสิริครับการทำความเข้าใจเรื่องธาตุรู้อย่างถ่องแท้แต่ถ้ายังละร่างกายหรือข้าวของเงินทองได้ก็ยังถือว่าความรู้นั้นเป็นเพียงแค่สัญญาใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ คือการที่จะเข้าถึงธาตรู้ได้ยงงเข้าเรื่องการฝึกสมาธินั่งสมาธิทำจิตให้เป็นอับปนาสมาธิมันถึงจะไปเข้าถึงตัวท่านุรู้ได้การอ่านการศึกษาอย่างเดียวยังไม่พอคุณชยดาครับเคยได้ยินมาว่าที่ที่เราจะไปเกิดขึ้นอยู่กับครอบครัวที่ทำไว้โดยฐานะพอประมาณ อันเดียวกับเรามีกรรมเป็นแดนเกิดไหมครับแล้วเราสามารถสร้างกรรมใหม่เพื่อเปลี่ยนสถานะใหม่ไปเกิดในภพภูมิใหม่หากต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีกได้ไหรือไม่ครับไม่เกี่ยวอะไรหรอกแดนเกิดหมายถึงภพภูมิที่เราจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเบตเป็นเนราชานต่างหากที่เป็นแดนเกิดเราเป็นแดนเกิดเพราะถ้าเราทําบุญเราก็จะไปสวรรค์กสวรรค์ก็เป็นแดนเกิดของเราถ้าเราทําบาปเราก็ไปอาบานกัน อบายก็เป็นแดนเกิดของเราไม่เลยนะครับว่าเราทําุแล้วจะแบบนี้เราจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีไปเกิดเป็นลูกคนรวยคนนี้อันนี้มันไม่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้อยู่ในในในคำสอนอันนี้คำสอนที่พูดถึงเรื่องสอ ภ, าภาพของจิตใจการเกิดในร่างกายนี้มันอาจจะไม่เกิดในลูกคนรวยก็ได้ลูกคนจนก็ได้แน่นอนไม่ประสงค์ออกนามครับ ต้องละกิเลสให้ได้ก่อนจิตจึงจะเป็นสมาธิถูกหรือไม่ครับพิทว่าพอออกจากสมาธิเจอโลกความจริงก็เกิดกิเลสมือนเดิมไม่นิ่งสงบอย่างนี้ต้องทําอย่างไรครับก็ต้องใช้สติหยุดกิเลสเป็นชั่วคราวก่อนหยุดความคิดไปก่อนหรือถ้าจะใช้ปัญญาได้ก็สอนว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เราก็จะหยุดกิเลสได้คุณพัดครับ ถ้ามีพี่น้องที่คอยเปรียบเทียบกับเราตลอดแสดงความไม่พอใจอย่างนุนแรงบ่อยครั้งเพราะเขาคิดว่าได้ความรักจากพ่อแม่น้อยกว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกันทําให้เราขาดความสงบสุขในการใช้ชีวิตควรทําอย่างไรครับเราก็อย่าไปสนใจในความคิดความรู้สึกของคนอื่นเขาเลยเพราะเราไปห้ามก็ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของเราบ่อยเขาคิดบ่อยเขาแสดงความรู้สึกต่างๆออกไปแล้วก็ ทำหน้าที่ของเราเป็นปกติมปทำหน้าที่ของเราให้ดีกับเรากันนั่นเองส่วนเขาจะคิดยังไงเราห้ามห้ามห้ามไม่ได้บังคับเขาไม่ได้คุณอังุุนเปรี้ยวครับการสวดมนต์ในการทำวัดเย็นคือทำให้เกิดสมาธิทำให้มีสติระลึกตามเนื้อหาหรือเพื่ออะไรเจ้าคะ ก็มันก็เป็นการเจริญสติเพื่อให้เกิดความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงระดับของอัปปนาสมาธิอาจจะทําให้เราไม่ฟุง้งซ่านปกติถ้าเราไม่สวดมนต์เรานั่งเฉยๆเดียวคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใจก็อาจจะฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ได้เพราะราใจที่จะไปคิดฟุ้งซ่านมันอยู่กับบทสวดมนต์มันก็ป้องกันไม่ให้ใจเกิดการฟุ้งซ่านขึ้นมาทําให้ใจอาจจะเป็นปกติสงบแบบปกติยังไม่แต่ยังไม่สงบแบบสมาธิก็ได้ จะสงบแบสมาธินี้ต้องมีกําลังสติเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้สามารถบังคับให้มันดูลมได้อย่างต่อเ น, นื่องโดยไม่ไปคิดอะไรได้อย่างนั้นนะถึงจะทำให้จิตเข้าสู่สมาธิได้จริงๆคุณอภิษฎครับนั่งสมาธิจิตสงบสว่างจนเห็นตัวเองย้อนวัยเป็นเด็กนอนในผ้าขนหนูถือว่าปกติไหมครับอธิษฐานก่อนนั่งสมาธิให้สมาธิรวมนั่งแป๊บเดียวสามชั่วโมงกว่าครับ เมันเป็นมันไม่ได้เป็นการนั่งสมาธิที่เราต้องการคือต้องการนั่งสมาธิแบบจิตว่าไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรถ้าไปรู้อะไรนี่ก็มันก็ไม่แน่ว่าเป็นความรู้จริงหรือเป็นความรู้ปลอมคือมันมันความรู้ที่ถ้าเราเข้าในระดับอุปจารสมาธิได้เราก็สามารถาระลึกชาติได้แต่อันที่เราเลือกได้นี่มันเป็ น, นระลอกจากความคิดปรุงแต่งของเรา เรื่อจากกําลังของอปัจจาระสมาธิอันนี้เราก็ไม่รู้แต่นั้นก็เป็นสมาธิที่ไม่มีคุณไม่ประโยชน์หลัการเราไปต่อสู้กับกิเลสตัณหายึงไม่นคนที่ยัมีสมาธิแบบนี้นั่นเราอย่าให้มันมีอาการมีการไปรับรู้เรื่องราวต่างๆถ้ามันมีเราต้องใช้สติดึงเอาไวา้หยุดไว้อย่าให้มันอย่าให้มันไปรับรู้เรื่องราวต่างๆให้มันอยู่กับพุโทโธและอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆ คุณองุ่นเปรี้ยวครับร่วมการร่วมกิจกรรมงานปริวาสกรรมของพระสงฆ์มีคนบอกว่าได้อ น, นิสง์มากแท้จริงคืออย่างไรครับคือปริวาสกรรมก็เหมือนกับการไปติดคุกของพระนะพระไปทำอาบัติและวิธีจะต้องใช้อาบัตินะันคือไปทำผิดศี่ข้อสังฆาทิสิกสิบสาข้อ เช่นเป็นอยู่กลางลำพังสองต่อสองกับศรีกาแล้วไปพูดจากเกี่ยวพาลาศีรอะไรอย่างเงี้ยเขเรียกว่าทำผิดศีลนเขาก็บอกว่าต้องไปในประเทศตัวเองให้ไปอยู่ที่ห่างจากสังคมของพระชั่วคราวมันไปติดคุกตั้งนี่ไม่ไม่ให้มายุ่กับคนอื่นไม่ให้มายุ่กับพระลูกเขามีพิธีการมีมีมาตรการอะไรต่างๆซึ่งรายละเอียดเราไม่ทราบไม่ได้ไม่ได้ศึกษา เป็นการไปติดคุกเป็นการใช้กรรมแต่นี่เขาเอามาดัดแปลงว่าเป็นการไปไปติดคุกแบบไปนั่งสมาธิไปขังตัวเองไปไปเปกวิวเวกไปนั่งสมาธิได้บุญมากญา mm hmm. ติโยมไปร่วมทําบุญกับพระที่ไปอยู่ในปริวัฒน์กรรมจะได้บุญมากเพราะท่านเข้าสู่ขั้นสมาธิกันครับในความจริงท่านไปทําบาปท่านทำทำผิดศีลและท่านถูกบังคับให้เป็น แยกตัวออกไปอยู่ตามลำพังไม่ให้มายุ่งเกี่ยวหลักสงฆ์เพราะมีมนทิรุน ง, ง่ายๆเหมือนคนที่ทําผิดต้องไปชาระมนทรุนได้หมดก่อนไปติดคุกติดตลาดก่อนหมดแล้วค่อยไปกลับตัวกลับใจกลับมาคราวหน้าจะได้ไม่มาทําบาปอีกช่านีช่ครับนี่คนเข้าใจผิดกันไปเยอะเลยครับเรื่องปริวาสการรมครับเราไม่รู้ว่าพระที่ไปเป็นปริวาสวาริวาสการรมอาจจะไม่ได้ทําผิดสี่นอะไรก็ได้ แต่เขาใช้คำวันนี้เป็นเป็นอุบายสำหรับการจัดงานนั่งสบาธที่กันก็ได้วันนี้จะตั้งชื่ออะไรกันตั้งชื่อไปไปปริวาสกาไปทำปริวาสกราบกันครับขอากคาคบพาอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ใน f a c e b o o หนึ่งพันหกสิบแปดคนครับใน y o u t u ห e ร้อยสี่สิบเก้าคนในขับเฮาส์หกคนครับ รวมมีเพื่อนเพื่อนฟังทมด้วยกันหนึ่งพันเจ็ดรอยิบสาคนครับผมก็ยังอยู่ในระดับที่พอพอสมควรก็ข อ, ขอ <Okay. S 2> ชื่นชมยินดีกับท่านที่มีความสนใจกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระเจ้านี่แหละที่จะพาเราให้เมาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนก็ขออนุโมทนาขอให้ท่านจงปฏิบั ต, ติต่อไปทางเทศฟางทาศึกษาทำต่อไปเรื่อย แล้วจิตใจก็จํามีความเจริญนุ่งเหลือก้าวหน้าต่อไปการแสดงธรรมสาหรับวันนี้การแสดงธรรมสาหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายขอลาท่านทั้งหลายไปเพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้ท่านตรงน้ำวสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้ า, กา ว, าวาขขหน้าในทางนี้ยิ่งขึ้นไปเท่าสาธุ ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุฉัดข้องอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอจเจริญพรกลับขอบพระคุณพอาจารย์ครับ